ก็มีพระกี่องค์าบบนนี้วันนี้มีอยู่สี่องค์ที่มีน้ายเพราะส่วนหนึ่งก็ไม่อยากใช้ใเอ้ขึ้นมาคือ<ม>ถ้า <c oughs> เลือกดเูเลือกดูคนหน่อยถ้าขึ้นมาแล้วไม่ภาวนาเดี๋ยวมันก็มาสร้างความวุ่นวายคือที่นี่เขาคนที่มาบวชที่นี่บางคนเขายังไม่ทราบถึงเรื่องของพระกรรมฐานยัเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่ที่บวชกันที่นี่ก็บวชจาก ตามประเพณีตามประเพณีเมื่อมาปวดแล้วก็เห็นมีพระอิคนเขาก็อยากจะลองบ้างแต่ตัวเองไม่รู้ว่าเขาอยู่กันบนเขาเขาอยู่กันเพื่ออะไรทำอะไรพอขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้ภาวนาก็โมแต่มานั่งคุยกันนั่งดื่ม น, น้ำชากาแฟหรืออะไรอย่างนี้ก็มันก็ มันก็แบบรบกวนผู้ที่เขาต้องการความสงบเพราะคนที่ภาวนาจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะสิงสินกับใครอยากจะอยู่คนเดียวเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วก็มีสถานที่แบบนี้มันไม่มีอะไรเข้าไปทำให้จิตใจก็เพื่องจิตใจเราก็เปลี่ยบเหมือนกับบ่อ น, น้า ถ้ามีคนเข้าไปอาบน้ําไปตากไปเล่นน้ําน้ํามันก็ขุ่นน้ํามันก็ไม่นิ่งจิตของเราถ้าต้องรับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมันก็จะต้องมีการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเวลามันกระเพื่อมมันก็ไม่สงบมันไม่นิ่งเวลาไม่สงบไม่นิ่งก็จะไม่เห็นความสุขความประเสริฐของความสงบ ความอิ่มเอิบใจความพอใจที่เกิดจากการทังความสงบของจิตดังนั้นคนที่จะภาวนาจริงๆแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการสถานที่แบบไหนเขาไม่ต้องการพวกแสงสีเสียงไม่ต้องการเพื่อนไม่ต้องการคนนั้นคนนี้มาแกล้งเองามาคุยแกล้งเหงกันเพราะจิตที่มันเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วมัน แล้ไม่ค่อยคิดถึงอะไรเพราะว่าจิตสงบนี่มันไม่ปรุมแต่งนี่นเองเวลาจิตไม่สงบมันก็คิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาคิดในเรื่องที่เราเคยมีความสุขแล้วเราถนัดนี้ไม่มีความสุขก็ทําให้เรามีความเศร้าสร้อยหงอยเหงาอยากจะหวนกลับไปหาความสุขแบบนั้นอีกเช่นถ้าเรามีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนกับฝูง ก, กับการทำกิจกรรมต่างๆพอเราต้องมาฝึกจิตอยู่คนเดียวในป่าเดี๋ยวจิตของเราก็จะคิดไปถึงเรื่องราวในอนดีตที่เราเคยได้สัมผัสที่ได้ความสุขมาคิดถึงเพื่อนคนนั้นคิดถึงเพื่อนคนนี้คิดถึงกิจกรรมอย่างนั้นคิดถึงกิจกรรมอย่างนี้ก็เลยทาให้จิตเกิด อ, อารมณ์ ว, าว้าวเวยาวเกลียวขึ้นมาก็ทนอยู่ไม่ได้ต้อง กลับไปหาเพื่อนหาฝูงหากิจกรรมต่างๆนั้นทาแต่ถ้าเคยได้ฝึกจิตมาก่อนแล้วสามารถทำจิตให้สงบได้เวลามาอยู่สถานที่แบบนี้มันจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นเพราะมันมีงานทำอยู่มันรู้ว่าหน้าที่ของของของตนเองนั้นต้องทำอะไรก็คือควบคุมสังขารความคิดฟูงของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ย ที่ท่านบอกว่าเป็นกุศลเรือเป็นอกุศลก็อยู่ที่ความคิดเราที่พระท่านสวดในงานศพกุศลธรรมะอกุศลธรรมะปัปพยากาตาธรรมะ ก, ก, ก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งของจิตซึ่งเป็นไปได้สามทิศทางด้วยกันคิดไปในทางากุศลก็ทำให้จิตสงบถ้าคิดไปในทางอากุศลก็ทำให้จิตคุ้มคลางเกิดความทุกข์ คิดเป็นกลางๆก็ไม่เป็นความไม่เป็นกุศลหรือไม่เป็นอกุศลมันก็ไม่ได้ทำให้จิตมีความสงบมีความอิ่มเอิบใจแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความพุ่งช่าแต่อย่างใดแต่มันก็สู้การคิดไปในทางกุศลไม่ได้คิดไปในทางกุศลก็คิดไปในทางมรคมรคนี่เป็นเป็นทางแห่งกลางทำให้จิตใจสงบได้เย็นได้สบายได้ ถ้าคิดไปในทางอากุศลก็คิดไปในทางสมุทยัยคิดไปในความอยากต่างๆเช่นเราอยู่คนเดียวเราก็อยากจะมีเพื่อนอยากจะหาเพื่อนเราอยู่เฉยๆเราก็อยากจะดื่มน้ําชากาแฟอยากจะรับประทานขนมของหวานต่างๆหรืออยากจะดูเรื่องอะไรต่างๆเช่นทาง ทรทัศบ้างทางอะไรบ้างอานี้ถ้าคิดไปในทางนี้ทางทางของการปฏิบัติแล้วเรียกว่าเป็นอกุศลเพราะมันไปทำให้จิตนั้นเกิดความหิวเกิดความอยากไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ต้องตะเกียกตะกายไปหาสิ่งเหล่านั้นมาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไปก็ระงับ ความอยากได้ชื่อขนาดหนึง่งแต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็คิดไปอีกคิดถึงเรื่องเหล่านี้อีกเพราะมันติดเป็นนิสัยเราเคยชอบทำอะไรเราก็จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่เสมอพอเราทำได้สักพักหนึ่งเราเราเหนื่อยล้วก็หยุดมันพอเรามีเวลามีกำลังวังชาเราก็คิดถึงเรื่องเหล่านั้นอีก ชีวิตของเราก็วนเวียนอยู่กับการทำตามสิ่งที่เราอยากกันแต่ถ้าเราสังเกต ด, ดูสักหน่อยเราจะเห็นว่าเราก็ทำมาต้องมากมายแล้วตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเราก็ทำตามความอยากของเราแต่เราเคยถึงจุดพอมั้งไหมถึงจุดอิ่นตัวม่้งไหมถึงจุดว่าเออได้ทำมามากพอแล้วเนี่ยหนังก็ดูมามากพอแล้วละครก็ดูมามากพอแล้วงานเลี้ยงก็ไปมามากพอแล้ว เที่ยวไปตามที่ต่างๆก็เที่ยวมามากพอแล้วถึงเวลาที่มันน่าจะพอได้แล้วนะมันจะไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นไปในจิตเพราะธรรมชาติของความอยากดังที่พรองค์ทร ง, งแสดงไว้ว่ามันไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่มีฝามหาสมุทรนั้นมันจะใหญ่ตัวกว้างขวางขนาดไหนมันยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้หาขอบเขงไม่ได้ คือไม่มีที่สิ้นสุดอยากแล้วมันจะต่อไปเรื่อยๆมันจะต่อแล้วจะขยายตัวเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอย่างที่เราเคยได้ยินเขาพูดว่าได้คือก็ อ, อ, อยากจะเอาสอกได้สอกก็อยากจะเอาวา่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใครเราจะต้องมาเหนื่อยยากกับการสนองรับตอบรับความอยาก ก็คือจิตของพวกเราจิตของพวกเราก็ต้องถอไปมันสั่งให้เราไปเอาอะไรมาเราก็ต้องไปหามาหามาได้แล้วก็ดีใจเพียสักพักหนึง่งแล้วเดี๋ยวก็มีคําสั่งใหม่ออกมาแล้วอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นก็ต้องไปแล้วถ้าเกิดไปแล้วไม่ได้ดังสิ่งที่ต้องการก็ยิ่งเกิดความเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาเกิดความผิดหวังเกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือสิ่งที่ได้มาแล้วเกิดสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกเหมือนกันนี่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอากุศลความคิดที่คิดไปในทางความอยากทั้งสามอยากในกามอยากในภาวะอยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีอยากไม่เป็นทั้งสามส่วนนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วก็เท่ากับทาให้จิตใจของผู้นั้นเป็นเหมือนกับทาสเป็นเหมือนกับคนคนรับใช้ เจ้านายก็คือความอยากทั้งสามประการนี้เช่นอยากในกางก็คืออยากในรูปเสียงก ล, ลิ่นรสโผฏฐาพะต่างๆที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้อยากกันเพราะนี่เป็นโลกของของของกลามกามนั่นเองเราเรียกว่ากรารมาโลกกามมาโลกนี้ก็มีมีเป็นที่เกิดของสัตว์โลกที่ยังมีความอยากในกามอยู่ ซึ่งก็แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่ดีกับส่วนที่เลวส่วนที่ดีหมายถึงสัตว์โลกที่หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสด้วยการประพฤติที่สุจริตคือไม่ไปร่วงเกินไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นหามาด้วยด้วยความสุจริตอยู่ในศีลอยู่กับอีกพวกหนึ่งที่หามาด้วยความไม่สุจริตคือพวกที่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นช่วงสัตว์เดาห์ฉานอย่างนี้เป็นต้นเขาอยากจะได้อะไรเขาก็ไม่คํานึงถึงว่าสิ่งที่เขาจะเอามานี้จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่พวกนี้จึงต้องไปเกิดเป็นถิงสารสัตว์หรือถนักกว่า น, นั้นก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างหรือเป็นสัตว์นรกบ้างนี่เป็นสัตว์ที่เสกการส่วนเรงส่วนหยาบ ส่วนสัตว์ที่เสกากาบส่วนละเอียดก็พวกมนุษย์ที่มาเกิดในโลกนี้แล้วก็พวกเทพทั้งหลายพวกนี้เป็นสัตว์ที่ยังเสกกรามอยู่พวกมนุษย์นี้เสกกามส่วนใหญ่คือที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกกายกายหยาบเช่นร่างกายของเรานี้ส่วนพวกเทพนี้เขาเสกกราลูปเสียงกลิ่นรสกตว์าแบบละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพซ์เสียงทิพ ต่างๆเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเน้าเราฝันเห็นรูปต่างๆสวยๆงามๆเรามีประสบการณ์อะไรดีๆในขณะที่เราฝันในขณะนั้นเราก็เป็นเหมือนเทพเสพความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสผุตละะที่เป็นทริปอยู่นี่คือเป็นโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามสุขกามตัณหายังมีความอยากในสิ่งเหล่านี้อยู่ ถ้าขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็เป็นพวกที่ละความอยากไนการมะตัญหาได้การในเรื่องของการรู้สิ่งกิเลดได้ก็พวกที่ถือศีลแต่พวกที่ปฏิบัติในคขมะนับบวตทั้งหลายพวกนี้เขาจะ <c oughs> ไม่ไปหาความสุขจากการดูการฟังการสัมผัสทางทวารทั้งห้าแต่หันมา สัมปัสกับความสุขในความสงบของจิตใจใช่พวกที่บาเพ็ญภาวนาหรือษีชีพัยซึ่งพวกนี้ก็มีมาตั้งแต่ด่างเดิมก่อนสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมาปรากฏขึ้นคนเราทุกคนในโลกนี้ก็แสวงหาความสุขต่างกันตามตามความสามารถตามกำลังแห่งสติปัญญา พวกที่ต่ำสุดก็อย่างพวกที่เกิดในอบายทั้งหลายมีหาความสุขโดยโดยการเปลี่ยนผูนพ้พวกที่สูงกว่า น, นี้ก็พวกมนุษย์พวกเทพก็หาความสุขจากการทาบุญทาทานรักษาศีลพวกนี้ก็มีความสุขในระดับหนึ่งแลวพวกที่หาความสุขที่สูงกว่า น, นี้คือเห็นโทษของการมาสุขคือเห็นว่าการเสี ก, การมรสุขนี้ก็มีทุกามีทุกต่างมา เช่นเวลาเราเสียสิ่งที่เรารักไปเรามีคู่ครองเรามีความสุขอยู่แล้ววันดีคืนดีคู่ครองของเราเขาต้องล้มหายตายจากไปหรือว่ายังไม่ล้มหายตายจากแต่ความสามารถไม่สามารถให้ความสุขต่อกันได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพวกนี้เขาก็มีปัญญาคิดว่าอาจจะมีความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากนักปราชญ์ในกาลสมัย ก็มีสอนบอกว่าก็หาความสุขจากการทําจิตใจให้สบงบพวกนี้ก็เลยออกบําเพ็ญตบะกันอยู่ในปาน่าในเขาอยู่ตามวัดตามมาตามสำนักแล้วก็ควบคุมเรื่องการการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพะไม่ให้สัมผัสเพื่อความสุขเ <c oughs> ช่นกา่รับประทานอาหาร <c oughs> การรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้รัก ไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความอิ่มหนำสำลานใจคนที่ยังเสพการอยู่นี้เวลาจะรับประทานอาหารนี่จะต้องหาอาหารที่โปรดจานโปรดอาหารจานเด็ดไปอาหารตามร้านอาหารที่ตนเองชอบนี่แบบกินแบบกินแบบกามเพื่อกามมาสุขแต่ถ้ากินเพื่อร่างกายก็มีอาหารอะไรที่ไหนก็รับประทานมันเข้าไปไม่ต้องเลือกว่าจะเป็นอาหารชนนี้ชนิดนี้ ขอให้อาหารที่รับประทานนั้นมันสะอาดรับประทานกันไปแล้วมันไม่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรับประทานกันไปแล้วทำให้ดับความหิวที่มีอยู่ในร่างกายของตนได้ก็พอเพียงแล้วก็รับประทานพอประมาณไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานมากนักเพราะไม่ได้หาความสุขจากการเ ส, สัมผัส พ, พวกรสชาติต่างๆที่มาสัมผัสกับลิ้นกับตากับจมูก รับประทานเหมือนกับรับประทานยาแล้วรับประทานยานี้เราก็ไม่สนใจว่ายานี้จะต้องมีรสชาติอย่างไรเราก็เพียงแต่กลืนๆมันเข้าไปเพื่อให้มันได้เข้าไปทําหน้าที่ของมันเข้ไปรักษาโรคยารักษาโรคภัยคือพวกเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายอาหารก็รักษาโรคที่เกิดจากความหิวจากอาหาราขาดอาหารเท่านั้ก็คือคือคือการติดสัมผัส ข, ของพวก ผู้ที่แสวงหาความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากการสัมผัสทางการมคุณทั้งห้าเช่นเสื้อผ้าก็ใส่กันแบบเรียบเรียบง่ายๆไม่จําเป็นจะต้องมีสีฉูดฉาดดูสวยงามการที่เราใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆเพราะเรายังยึดติดอยู่ความสุขแบบนี้เวลาใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆแล้วมีคนเข้าชมว่าสวยงามน่าชื่นชมแล้วก็มีความสุข แต่เรื่องเหล่านี้สําหรับผู้ที่แสวงหาความสุขที่ดึกกว่านั้นละเอียดกว่านั้นคือความสุขภายในใจจะไม่ให้สร้างความสัมพันธ์กับเรื่องเสื้อผ้าแบบสีสันอะไรต่างๆใส่ไปเพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้นเองป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ถูกแมลงสาบกัด ต, ต่างๆมากัดมาต่อยป้องกันร่างกายเท่านั้นเ อ, อแล้วก็ ไม่จาเป็นที่จะต้องแต่งหน้าทาปากใช้เครื่องสำอาง ห, หรือใช้ยาน้ำหอมอะไรต่างๆอล่านี้เพื่อมาปกปิดกลิ่นของร่างกายเราโดยธรรมดาร่างกายของเราถ้าไม่ได้รับการชาระล้างมันก็ต้องมีกลิ่นที่ไม่ปราถนาออกมาแต่ทางนักปฏิบัติก็จะใช้การชาระด้วยการอาบน้ำใช้น้ำาป่าหรือก็ล้างศูนที่ไม่มีกลิ่น หอมก็ใช้ได้เพื่อดับกลิ่นร่างกายใไปวันห น, น, น, นึ่งแล้วก็การหลับการนอนก็ไม่ได้อาศัยที่นอนที่นุ่มที่ใหญ่ที่นอนแล้วหลับสบายนอนสบายนอนเพื่อพักร่างกายร่างกายเวลามันต้องการพักมันที่ไหนมันก็นอนได้แม้แต่ไม่ได้ไม่ได้เอนหลังนอนนั่งอยู่เฉยยังหลับได้เวลาทำเป็นถ้ามันต้องการจะพักจริง เช่นักปฏิบัติบางท่านท่านก็ถือการปฏิบัติแบบสามิริยาบทคือเดินยืนนั่งแต่จะไม่นอนเพราะท่านกลัวว่าเวลานอนแล้วบางทีความอยากความอยากในความที่เกิดจากการนอนจะทำให้ท่านนอนมากเกินไปเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลานั้นมาทำจิตใจให้สงบก็ เอาไปใช้กับการหลับการนอนก็ได้ความสุขแบบชั่วประเดียวประดาาที่ได้จากการนอนแต่มันไม่ได้ทําให้จิตใจนั้นได้รับความสงบนี่ก็คือพวกที่ปฏิบัติเพื่อความสงบของจิตใจเขาต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องการมคุณทั้งห้าเวลาสัมผัสนี่จะต้องไม่ให้มันทําให้เกิดความยินดีเกิดความสุขขึ้นมา ยิ่งต้องแสวงหาที่แบบเนี้ในป่าในเขาสิ่งที่เห็นด้วยตาก็จะมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินไม่มีอะไรที่จะไปทำให้เกิดความอยากได้ขึ้นมาไม่เหมือนกับเห็นรูปคนเจอเฉพาะรูปของเพศตรงกันข้ามเห็นรูปหญิงรูปชายแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากที่จะได้สัมผัสอยากที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับ รูปแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะกลายเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้ไปเวลาไม่ได้อยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาใจขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่จะต้องการความสงบของจิตต้องระมัดระวังคือต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเพื่อให้เกิดความสุข เพเป็นไปตามความต้องการของความอยากแต่ถ้าจะต้องเสพต้องสัมผัสก็ก็ทําไปด้วยความจําเป็นเช่ น, นคนเรายัางไงเป็นยังไงก็ต้องรับประทานอาหารอยู่ดีต้องดื่มน้ําแต่เรารับประทานอาหารแบบเรารับประทานยาดื่มน้ําก็ดื่มน้ําเพื่อเหมือนดื่มยาไม่ต้องเป็นน้ําที่มีรสมีชาติบางทีน้ำปเปล่าคนที่มีความติดอยู่ในกามาสุขจะดื่มแล้วไม่สดชื่น ต้อดื่มน้ําที่มีรสชาติหวานมันเปรี้ยวหวานมันเค็มถึงจะมีความสุบทิ้งเหล่านี้ผู้ที่สแสวงหาความสงบสุขของจิตใจจะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงเหล่านี้ได้แล้วเวลาภาวนามันจะง่ายต่อการสงบใจต้องเข้มแข็งเพราะการมฉันทะนี่ก็เป็นหนึ่งในนิวรห้านิวรห้าก็คืออุปสรรคที่ขวางกั้นที่ไม่สามารถทําให้ใจ เละดลอดเข้าไปสู่ความสงบได้เป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นอยู่นิวร น, นี้ก็มีอยู่ห้าชนิดด้วยกันการมาฉันทะนี่ก็เป็นอันหนึ่งในนิวรนห้านอกจากนั้นก็ยังมีวิจิตกิจฉาความสงสัยสงสัยเรื่องราวต่างๆภาวนานั่งภาวนาไปเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ถามสงสัยว่าพุทโธพุทโธคาเดียวนี้มันจะทาให้จิตเราสงบได้หรือ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าธรรมะที่ท่านสอนนี้มีจริงหรือเปล่าพระสงฆ์อริยะมีจริงหรือเปล่าหรือสิ่งเหล่านี้เขาสมมุติกันขึ้นมาหลอกให้เรามานั่งทําจิตใจให้สงบแล้วทําไปจนวันตายก็ไม่สงบสักทีถ้ามีความสงสัยเหล่านี้แล้วจิตมันก็จะลังเลเวลาภาวนาก็จะไม่ไม่ตั้งจิตตั้งใจเอาจริงเอาจั ง, เ, จงเวลาพุโธพุโทโธนี้ก็มันไม่มีศรัทธายอย่างนั้นแหละเมื่อไม่มีศรัทธาแล้วมันทําไปมันจะไม่เกิดผลขึหนมา นี่ก็เป็นความลังเลสงสัยต้องอาศัยการไปได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีประสบะการณ์จากเรื่องเหล่านี้แล้ว เ, เขารับรองให้กับ来说ว่าทําไปเถิดพูดโธคําเดียวนี้นแหละจะทําให้เราได้เจอกับเสียงที่มหัศจรรย์ถ้าเราเห็นได้ยินได้ฟังจากบุคคลที่มีความน่าเลื่อมใสมันก็จะทําให้เราคลายความสงสัยไปได้ เวลาเราภาวนาแล้วก็ยึดกับคำว่าพุโทโธคำเดียวไปเลยไม่ต้องบัคคิดให้มันเสียเวลาแล้วมีสติกำกับอยู่ไม่ช้าขนาดพุดโทโธมันก็จะพาจิตเราทะลุนิวรนทั้งห้านี้เข้าสู่ความสงบได้นิวรนก็กรรมฉันทะมีวิธิกิจฉาความสงสัยความง่วงเหงาเหานอนก็ต้องอาศัยการการรับประทานอาหารพอประมาณอย่าไปรับประทานอาหารมาก ให้เข้าข้างมาก็ได้ไม่เา็เข้ามาได้ไม่เป็นไรช่วยช่วยเราก็คุยไปไม่มีอะไรหรอกก็คุยไปเรื่อยๆ <c oughs> กรรมฐ า, านแบบธรรมชาติเนี่ยข้าก่อนที่อาจารย์พูดถึงสมุทัยสามอย่า ง, งกรรมวัฏฏานหาภาวะวันหาวิภาวะัฏฏ า, านหากลับไปทบทวนฟังดูแล้วเนี่ย สันเจนเรื่องกามอาการตัณหารัแต่ว่าภวะตัหานี้แล้วตัณหานี้อควา่ายแจ้งให้ความภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นโดยธรรมชาติของคนเราเมื่อเกิดมาในเบื้องต้นสิ่งแรกที่อยากจะมีก็คือความพร้อมในปัจจัยสีคือไม่อยากจะอดอยากขาดแคลนเมื่อเรามีความพร้อมในปัจจัยสิแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะมี มีมากเพื่อจะได้ไม่ต้องมากังวลกับมันคือมีทรัพย์อยากจะรวยนั่นเองเกิดตอนต้นก็ขอให้พอมีพอกินเมื่อพอมีพอกินแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะอ่ำอยากจะรวยเมื่อรวยแล้วก็อยากจะมีเกียรติอยากจะให้คนยกย่องนับถือตนเองเมื่อมีทั้งเกียรติแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะมีอายุยืนยาวนาน อยากจะอยู่ไปยาวนานอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยปีพันปีก็ว่าไปแล้วเมื่อตายไปก็อยากจะไปสวรรค์นี่คือภาวะตัณหาแบบคร่าวๆผู้ให้ฟังแต่มันมีหลายอย่างคนที่ทุกวันนี้เขาวิ่งเต้นกันทุกวันอยากจะเป็นสวเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นคนรวยเป็นอะไรแบบนี้เรียกก็าภาวะตัณหาทั้งนั้นคือถ้าเราไม่พอใจกับสภาพที่เราเป็นอยู่ แล้วอยากจะเป็นอย่างอื่นนี่ก็เรียกว่าภาวะตัณหาเนี่ยนี่หมายถึงพูดถึงทั่วๆไปเนียบางทีเราอาจจะสับสนแล้วคนที่อยากจะเป็นพระอรหันต์นี้เป็นเป็นกิเลสหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เป็นตัณหาเพราะว่าการเป็นอยากจะเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นคนเป็นพระอริยมรรคคนนี้มันเป็นเหมือนกับคนไข้ที่อยากจะหายจากโรค แต่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากความรุ่มหลงแต่ถ้าเรามีพอมีพอกินแล้วเรายังอยากจะรวยอีกอย่างนี้มันแสดงว่ามันรุ่มหลงเพราะว่ามีมีเกินกว่าความพอมีพอกินมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไปกว่านั้นพอมีพอกินมันก็มีความสุขเท่าๆกับคนที่มีร้อยเท่าจากที่เรามีอยู่เพราะคนเราก็มีปากเดียวท้องเดียว ก็กินได้เท่านั้นเองจะมีเกินนั้นอีกไปเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่คนที่อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นพระอริยะอยากจะหลุดพ้นจากทุกนี้มันเป็นความจำเป็นเพราะมันทำให้ความทุกข์ของเรานั้นเบาบางลงไปอันนี้คาเรียกว่ามรรคเป็นวิธีทางที่พาให้เราสู่การหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้พาเราสู่ความทุก แต่ความอยากอย่างอื่นนี่มันพาเราไปสู่ผ่านทุกข์อยากจะเป็นเศรษฐีนี่มันก็ต้องทําให้เราต้องดิ้นรนมากขึ้นขณะนี้เรามีพอกินพอใช้แต่เราอยากจะรวยเราก็ต้องไปแสวงหาวิธีหาเงินหาทองมาแล้วถ้าเราไม่ระมัดระวังดีไม่ดีเราจะต้องสูญเสียความดีคือเสียตธรรมไปเพราะบางทีเราจะต้องไปทำการทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เราได้มาซึ่งความร่ำํำรวยนั้น อย่างนี้ก็เลยทําให้เราได้อย่างแต่เสียอีกอย่างได้สิ่งที่ไม่มีค่าเราวสิ่เสียสิ่งที่มีค่าไปเสียศีลธรรมไปแต่ได้ก้อนอิด ก, ก้อนกวดก้อนเงินก้อ น, อนทองมาซึ่งเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้แต่เมื่อเรามีมันมาแล้วเมื่อเราเสียสิ่งที่ดีไปจิตใจเราก็ต่ําลงจิตใจเราก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่คือความหมายของภาวะตันะครับ ส่วนวิภาวตัญหาก็หมายถึงความไม่ต้องการที่จะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นคนเราไม่อยากจะยากจนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิภาวตัญหาละขณะนี้ไม่จนแต่ก็ต้องกลัวละกลัวว่าพรุ่งนี้จะจนอย่างนี้ก็เรียกพอเรากลัวปั๊บมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่กลัวความจนคือเราขนาดนี้เรามีอยู่มีกินแต่เราก็หดอยู่แบบคนจนอยู่บ้างฝึกไวเช่น อดข้าวเย็นบ้างอยู่แบบง่ายๆบ้างนอนกับพื้นนอนกับอะไรไปอยู่วัดอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการสึกอยู่แบบคนจนอยู่อยู่ตามมีตามเกิดอยู่วัดปาบ้านตาอาหารเขาจัดอะไรมาให้กินก็กินไปที่นั่งที่นอนเขาจัดให้เราอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนแล้วก็อยู่ไปมีเวลาว่างๆเราก็ช่วยทํางานทําการเป็นคนรับใช้สังคมไปช่วยล่างซ่วมช่วยกวาดลานวัดช่วยทําอะไรทีตา่างๆเหล่านี้ซึ่งโดยปกติแล้ว คนที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตจะไม่ชอบทำกันแต่เรามาฝึกสวนทางกับกิเลสกิเลสชอบขึ้นสูงเป็นเศรษฐีเป็นคนยิ่งใหญ่โตแต่เราจะมาฝึกเป็นคนยากคนจนคนต่ำคนต้อยทำตัวเราให้เป็นเหมือนกับผ้าคีริว้วใครจะเอาไปเช็ดทำอะไรเราก็ทำได้ให้เราล้างส้วมก็ล้างได้ให้เราล้างแก้วก็ล้างได้ล้างก็โถนก็นล้างได้ ทำอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นถ้าตราบใดมันไม่ผิดศีลผิดธรรมมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนี่คือการฝึอกอยู่ต่อสู้กับไอวิภาวะธนาหาตัวเนี้ยที่เรามาฝึอกอยู่แบบเรียบๆง่ายๆเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลัวความโจร์สมมติว่าเกิดวันพรุ่งนี้เกิดเราหมดเนื้อหมดตัวเราบอกไม่เดือดร้อนไม่อยู่วัดได้ไปวัดได้ไปโกนหัวไปอยู่เป็นแม่ชีเป็นพระอะไรก็ได้เพราะเราไม่ไม่กลัวความโจร เช่นเดียวกับความแก่ความเจ็บความตายก็เช่นเดียวกันเราต้องฝึกยอมรับมันให้ได้ความความตายก็อย่างพระที่ท่านไปอยู่ในป่าในส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะไปต่อสู้กับไอ้ความกลัวตายนี่ไปปร่งสังขารถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยมันจะไม่มีเกิดความรู้สึกหวาดกลัวมันจะปล่อยไม่ได้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่มันเปียกๆหน้าหวาดหน้ากลัวมีถิ่นสาระาตรัดแล้วมีอะไรก็ตามที่คิดว่าจะมาทําให้จิตใจของเรา จะมาทำลายชีวิตของเราจิตใจของเราจะต้องระสับระสนกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แก้ไขเราจะทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราภาวนาเป็นถ้าเราถนัดทางสมาธิเราก็ทำสมาธิไปจนกว่าไอความกลัวนั้นมันจะหายไปเวลาจิตสงบลงปับ๊บความกลัวนั้นหายไปหมดเลยมันจะรู้เลยว่าความกลัวนี่มันเกิดจากกิเลส วิภาวะตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจแต่ความเป็นความตายนี่มันเป็นธรรมดามันยังไงยังไงมันถึงเวลามันก็ต้องตายแล้วเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาทํามันยังไงไงมันก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปกลัวมันเพราะกลัวแล้วมันทุกข์ทรมานมากเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ทุกข์ทรมานมันก็สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เปลี่ยวก็อยู่ได้ที่มีคนเยอะก็อยู่ได้ เพราะจิตใจมันปล่อยวางมันรู้ว่ามันมันไปหลงไปยึดไปติดกับชีวิตท่า น, นเองถ้าเราทำจิตใจใสงบปั๊บไอความรู้สึกกลัวมันจะหายไปแต่ถ้าทำด้วยสมาธินี่มันก็จะสงบในขณะที่เราทำจิตให้สงบแต่พอเราออกจากจากสมาธิแล้วความกลัวนี้มันก็ยังอาจจะกลับมาได้อยู่เพราะเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณา ถ้าเราใช้ปัญญาิุาชนาแยกแยะธาตุขันให้เห็นว่ามันเป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไฟเส้นร่างกายนี้มันเป็นมามาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันก็มากลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่เท่าแล้วก็ต้องแตกดับสลายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของ ปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทั้งหลายจนถึงร่างกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ไม่มีความแตกต่างกันเรียกว่าขันรูปประขันนี้ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพระอริยะบุคคลกับปุถุชนเหมือนกันเพราะกินอาหารแบบเดียวกันกินข้าวเหมือนกันกินน้ำํำดื่มน้ํหาหายใจเข้าไปอากาศแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นร่างกายของเรากับร่างกายของพระอริยบุคคลนั้นไม่แตกต่างกัน แตกต่างการที่จิตใจของท่านใจของท่านท่านภาวนาท่านกําจัดไอตันหาทั้งสามได้กามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาทอให้จิตใจของท่านนิ่งได้ตลอดเวลาไม่แกว้งไปแกว่งมาถ้าเป็นลูกตุ้มนาฬิกาก็นิ่งอยู่เฉยๆอยู่กรงกลางไม่แกว่งไปไม่ว่าจะโดนอะไรมากระทบรุนแรงขนาดไหน ในทางดีหรือในทางบวกหรือในทางลบจะไม่หลงไปตามกับสิ่งที่มากระทบใครจะให้ลาบให้เงินให้ทองมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ไปยินดีสัมันเพียงแต่กลายเป็นเหมือนกับคนที่จะต้องมาทําหน้าที่เอาเงินค่อยๆให้มาไปให้อี ก, อ, ก, อ, ก, อ, กอีกที่หนึง่งทนั้นเองแต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยเพราะมันตัวเองไม่มีความจําเป็นกับสิ่งเหล่านี้หรือเวลาจะสูญเสียไปทั้งหมดมันก็ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะใจมันไม่ได้คิดว่ามันสูญเสียอะไรเพราะมันไม่ได้ยึดไม่ได้ติดมันไม่ได้มีอะไรเป็นของของมันเลยสมบัติใจไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นสมบัติมีธรรมะเท่านั้นที่เป็นสมบัติของตนเองแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรสามารถที่จะเอาธรรมะจากใจไปได้แต่อย่างอื่นถ้าไปยึดไปติดว่าเป็นสมบัติของตนแล้วสักวันหนึ่งก็จะต้องสูญเสียมันสักวันหน <Likewise. S 2> ึ่งก็จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจเพราะความหลงนั่นเอง ความหลงไปยึดไปติดตั้งแต่ยึดตั้งแต่ร่างกายเอาหนี้ออกไปเกิดมาฟักก็ได้ร่างกายนี้ก็ยึด ร, ร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วเมื่อโตขึ้นก็มีกําลังวังชามีปัญญาก็หามาเพิ่มหาสมบัติต่างๆมาเพื่อหาข้าวหาของหาบุคคลมาเพิ่มเป็นสมบัติของเราหาสามีหาภรรยาแล้วก็ได้ลูกได้ของแถมมาได้ลูกตามมาอีก <c oughs> ก็เป็นสมบัติของเราทั้งนั้น แล้วสักวันหนึ่งของเหล่านี้ก็ต้องร่วงโรยไปเหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้ต้นไม้ตอนต้นมันก็ไม่มีอะไรมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตงอกงานออกมามีเกลิงกา้านมีใบมีเบยใบยมันออกมาแล้วตอนต้นมันก็เขียวต่อไปมันก็เหลืองแล้วมันก็ร่วงหลุดลอยไปทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้จิตของเรามาตามลำพังของมันมากับบุญกับกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีต ที่ยังมาอยู่กเพราะว่าเรายังไม่ได้ชำระไอ้ตัณหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากจิตจากใจถึงต้องมาเกิดอีกเมื่อมาเกิดแล้วความหลงก็ทำให้เรามาครอบครองยึดสิ่งต่างๆไว้เป็นสมบัติของเราบ้านช่องที่ ด, ดินรถยนต์อะไรต่างๆนี้มันเป็นของที่ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นนะแต่ความหลงเราเร า, เราจะยึดกับมันว่าเป็นของเรา พอยึดแล้วที่นี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเวลาเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราว่าเป็นของเราเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ของคนอื่นไม่เราไม่เดือดร้อนใช่ไหมของชาวบ้านบ้านเขาจะไหมอย่างไงเราไม่เดือดร้อนรถ ข, ของคนอื่นจะพังยับอย่างไงเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยแต่รถของเราเกิดใครเอาเอ า, เอาตะปูไปขีดเส้นเสนหน่อยแล้วนั้นก็โหยโวยวา ย, วายเจ็บช้ำน้ําใจขึ้นมาแล้ว เพราะใจเราไปผูกไปยึดไปติดว่ามันเป็นของเราเพราะอาวิชาความหลงมันไม่เคยมีปัญญาสอนเราบอกว่าเฮ้ย hey, สิ่งเหล่า น, นี้ไม่ใช่ของเราเนะี่ยของเขาให้ยืมมาใช้ของเอามาใช้เพื่อประโยชน์เพื่อการดำรงชีพไปวันวันหนึ่งแต่ก็เห็นใจเพราะว่าสิ่งเหล่า น, นี้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแล้วร้อยทั้งร้อยจะต้องยึดทั้งนั้นนี่ยมันเป็นสันดานของกิเลส ท, ที่มันฝังอยู่กับใจเราได้อะไรมาเราต้องหวงทันที พอเสียไปก็เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เราจึงต้องอาศัยศาสนาเนี่ยมาช่วยแก้ให้เราได้เกิดปัญญาให้เห็นอย่างที่มเมื่อกี้อธิบายว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้กระทั่งสังขารร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราสักครัหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟ ที่สุดร่างกายนี้มันก็ต้องแยกครับตายไปสู่ดินสู่น้ําสู่ลมสู่ไฟเพียงแต่ว่าร่างกายนี้เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์สองทางประโยชน์ทางโลกก็ประโยชน์ทางธรรมถ้าเราโชคดีได้เจอาศาสนาเราก็เอามาใช้ทางธรรมมันก็ทําให้จิตของเราทุกข้นไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิเดกต่อไปถ้าไม่เจอาศาสนาก็อย่างมากก็ใช้ประโยชน์ทางโลกคือเอามาทํามาหากิน หาความสุขแบบแบบคนโลกเขามีกันความสุขแบบที่ได้จากการมีสมบัติเต้าของเงินทองแล้วก็มีความทุกข์คุกเข่าตามมาเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปตายไปก็จะเวียนกลับมาเกิดแบบนี้มันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเกิดปัญญาจะได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นก็ดีหรือเกิดคิดได้ขึ้นมาเองก็ดี คนบางคนอาจจะต้องอาศัยได้ยินได้ฟังเช่นพวกเรานี้โชคดีได้มาเจอพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็ช่วยจุดประเด็นให้เราคิดได้หรือบางคนนี่อาจจะเบื่อโลกก็อาจจะนั่งคิดไปคิดมาแล้วอาจจะเกิดเห็นเกิดปัญญาขึ้นมาเองก็ได้ด้วยความคิดของตอนเองอนพวกนี้ก็อาจจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะพวนี้เขาคิดด้วยตัวของเขาเองเขาแก้ปัญหาของเขาเองโดยที่ไม่มีใครมาสอนเขา เพราะไม่มีใครสอนเขาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการที่จะให้หลุดพ้นจากจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีใครสอนได้สอนได้อย่างมากก็ให้ทาสมาธิทําจิตให้สงบก็จะมีความสุขมีความสงบปราศจากความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นๆแต่พอออกมาจากสมาธิจิตมันก็เริ่มยืดเยื้อเริ่มเมกาะกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาหาวิธี เพื่อที่จะเอาเอาเอาเอ า, เอาชนะความทุกข์ตอนต้นก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวปัญหาก็เลยปล่อยวางร่างกายด้วยการไม่รับประทานอาหารแต่เป็นการปล่อยวางร่างกายที่ไม่ถูกเพราะผู้ที่ไปยึดไปเกา ะ, ะไม่ใช่ตัวร่างกายผู้ที่ไปยึดไปเกา ะ, ะก็คือตัวจิตดนั้นต้องต้อ ง, ต, องต้องงัดตัวจิตให้ออกจากร่างกายให้ได้คือร่างกายก็ ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันดูแลมันไปถึงเวลาที่มันจะเป็นตายก็ให้มันเป็นตายคือเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตรงหน้าก่อนแล้วว่ามันจะต้องเป็นมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายแต่ขณะที่มันยังไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเอามาใช้ทำประโยชน์ได้ถ้ายังไม่พ้นทุกข์กาใสาร่างกายนี้มาปฏิบัติทำถ้าเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วเราก็จะกล้าหานขึ้นมา บวชเป็นพระบวชเป็นชีก็สามารถไปอยู่ในป่าในเขาได้เพราะไม่กลัวตายเพรรู้ว่ายังไงสักวันก็ต้องตายก่อนที่จะตายก็เอาร่างกายนี้มาทําคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจให้มันได้หลุดพ้นจากการเย็นว่ายตายเกิดฉะนันคนถ้าถ้าเห็นความตายแล้วสามารถเอาความตายนี้มาสอนใจสอนตนได้ก็จะทําให้เป็นคนกล้าหารกล้าที่จะสละสมบัติกล้าที่จะสละ ยศถาบรรดาศักก้าที่จะสะอายต่างๆแล้วก็ออกบวชอยู่แสวงหาการพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากตัณหาทั้งสามนี่นี่ก็เป็นเรื่องราวของพวกเราชาวพุทธนี่แหละพวกเราถือว่าโชคดีที่เกิดมาเราไม่ต้องมาคิดกันเองไม่ต้องมาคำหาทางถ้าเราอยู่หลงอยู่ในป่าเราก็ไม่ต้องไป หลงวนไปเวียนมาอยู่ก็มีคนนําพาเราออกมาจากป่าได้เพราะพุทธเจ้าท่านเคยหลงอยู่ในป่าแล้วท่านหาทางออกจากป่าได้แล้วท่านก็ทําทางให้เราไว้ทางแห่งทางนศีลภาวนานเนี่ยเป็นทางออกทางเดียวเพะนั้นไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เจอทางนี้แล้วเพื่อขอให้เรายึดให้อย่าง แน่วแน่พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆทำบุญทำทานไปเรื่อยๆอย่าเสียดายเงินทองคิดถึงเวลาเราตายไปมันก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีเงินทองมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บไม่ได้มีไว้ให้เราไปรับใช้มันถ้าเราไปรับใช้มันก็คือหมายถึงเราต้องไปเฝ้าไปดูแลมันถ้ามันรับใช้เราก็คือให้เรา เ, ราเอาไปใช้ในสิ่งที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ที่เหลือก็เอาไปทำบุญทำทานเพื่อที่จะได้ คลาความยึดมั่นถึงมั่นในเงิในในทองนั่นเองถ้าเราไม่ไปทําเราก็ยังมีความหวงใหญ่มีความเสียดา ย, ยเวลามันเกิดหายไปหรือสูญเสียไปก็จะนําความทุกข์มาให้กับเราแต่ถ้าเราไปทําบุญทำทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเราก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องมีภาระกับไอเงินทองก้อนนั้นต่อไปแล้วเราก็จะคลายความโลป เพราะเราก็ไม่รู้จะหาเงินหาทองไหมทาไมหามาได้เกินที่เราจำเป็นก็ต้องเอาไปแจกจ่ายเขายอยู่ดีมันก็เลยทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นไม่ต้องไปดิ้นโลนหาเงินหาทองมากก็มีเวลาที่จะมาภาวนาตอนต้นก็อาจจะภาวนาที่บ้านก่อนเพราะเรายังเป็นคาราวาสอยู่แต่เมื่อเราภาวนาแล้วเกิดเราได้ผลดีจากการภาวนาเราจะเริ่มเห็นความสุขที่มันเหนือความสุขต่าง เหนือกว่ความสุขที่ได้เงินได้ทองเหนือกว่าความสุขที่ได้ตำแหน่งได้อะไรมันก็จะทําให้เรายิ่งอยากจะได้ความสุขนี้มากยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยิ่งจะตัด้เรื่องภารกิจต่างๆทางด้านภายนอกให้เบาบางลงไปพยายามขดตัวเข้ามาให้มันทําแต่งานเท่าที่จําเป็นทําเท่าที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พอแล้วพอมีปัจจัยสี่อยู่ได้พอแล้วเอาเวลาที่เหลือนี้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านธรรมะ ไปกราบว่าครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติตามวัดตามม า, ต, า, มมาต่างๆดีกว่าทําไปงี้เรื่อยๆแล้วถ้าถ้ามันจเจริญไปทางนี้ได้แล้วโอ้ยมันจะมันจะตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆต่อไปมันจะออกบวชเองมันจะไม่มีความความสุขกับการอยู่ในบ้านอีกต่อไปก็อยู่ในบ้านมันจะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเน่ยเรื่องของกิเลสตัณหาของคนทั้งนั้น คนนั้นอยากได้อย่างนี้คนนี้อยากได้อย่างนั้นถ้าไม่ได้ให้เขาเขาก็โกรธแค้นโกรธเคืองอย่างนี้เป็นต้นแล้วสู้อา้าวใคอยากจะได้อะไรให้ก็ไปหมดนะเราไม่เอาอะไรเอาตัวเราตัวเดียวพอสิ่งเดียวที่เราอยากจะได้ก็คือเวลาเท่านั้นเองขอให้เรามีเวลาเป็นตัวของเราเองที่เราสามารถที่จะมาบําเพ็ญทานสิงภาวนาถ้าเราให้ทานไปแล้วหมดไปแล้วก็หมดปัญหาไปช เ, เวลาเราบวชนี่เราเรื่องของทานก็หมด หมดพระไปละเพราะไม่มีอะไรจะให้ละบวชเป็นพระก็มีสมบัติอยู่แค่แปดชิ้นให่นที่เรียกว่า บ, บริฐานแปดก็มีงานสองงานก็คือศีลกับภาวนาศีลสมาธิปัญญาศีลก็พรวินัยสองร้อย่ิบเ็ข้อก็ ร, รักษาไปพระวินัยมีไว้เพื่อที่จะตล่อมเป็นเป็นเหมือนรัว้วการไม่ให้กิเลมันออกไปไกล เวลากิเลสมันออกไปไกลแล้วจะดึงตัวมันกลับเข้ามาจิตดึงดึงตัวมันกลับมาให้มันสงบนี้มันเหนื่อยแต่ถ้ามันอยู่ในครอกเล็กๆมันจับมันง่ายทําให้มันสงบง่ายศีนท่านนึงเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิแล้วเพราะว่าถ้ามีศีนแล้วเวลาจะทําจิตใจสงบนี้มันมันง่ายมันง่ายกว่าคนที่ไม่มีศีล เมื่อมีสมาธิแล้วมันก็จะสามารถทำให้เราเห็นเรือกเข้าใจเรื่องตายรักได้เรื่องอนิจังทุกขังอนาาัตตามันจะทำให้เรามีกำลังตัดได้ปล่อยได้วางได้ถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้จะต้องตายไปแต่เราก็ยังอดกลัวไม่ได้อดยังตัดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีฐานของจิตก็คือความสงบนั่นเอง แต่ถ้าเรามีฐานของความสงบแล้วเรารู้ไม่เป็นไรเวลาร่างกายจะตายไปเราจะทำยังไงเรารู้ทำจิตใจให้สงบในขณะนั้นจิตก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายละร่างกายมันจะเป็นอะไรไปตอนนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับจิตเหมือนกับเวลาที่เราหลับไปขณะที่เรานอนหลับเกิดมันตายไปนี้เราก็ไม่รู้เรื่องไม่มีเวลาที่จะมาตกใจกลัวใช่ไหมอย่างมากก็อาจจะตอนที่ใกล้ๆจะตายแล้วมันตื่นขึ้นมาจากความหลับ แต่อาจจะแค่วินาทีสองวินาทีแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยเราจึงต้องต้องต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทานศีลภาวนานี้มีไว้ก็เพื่อที่จะมาชำระตัณหาทั้งสามนี้คือการมตัณหาภาวะตัณหาอีภาวะตัณหา ถ้าชำระได้หมดสิ้นจิตก็สะอาดโดยสุดจิตก็หลุดพ้นจิตก็ไม่มีตัวที่จะคอยไปสร้างพบสร้างชาติอีกต่อไปอย่างที่ผู้เจ้าทรงอุทธาณไว้ว่าผู้ที่สร้างพบสร้างชาตินี้เราเจอตัวมันแล้วแล้วเราได้ทำลายมันหมดสิ้นไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมาสร้างพบสร้างชาติให้กับเราได้ต่อไปแล้วก็คือความอยากทัางๆประการนี้ ดังนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธเราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนานี่เป็นโชคสองชั้นด้วยกันว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของง่ายมนุษย์เรานี่เวลาจะออกลูกได้ก็ได้ทีละคนดังนั้นตัพโดยวิธีปกติปีหนึ่งก็ได้แั่คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งอย่างมากมีลูกก็สองสามคนเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับเดรัจฉานก็ออกทีมาเป็นคอกทีละเก้าตัวสิบตัว หรือถ้าเป็นนกเป็นปลานี่มันออกมาเป็นฟูการไปเกิดเป็นเดรัจฉานมันถึงมีโอกาสง่ายกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์และนอกจากนั้นยังต้องมีศีลด้วยถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีทางที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แสดงว่าพวกเราในอดีตนั้นเราได้บำเพ็ญศีลมาได้ได้ทำบุญทําทานมาได้รักษาศีลมาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงไม่ควรที่จะใช้บุญเก่านี้ไปโดยปล่าประโยชน์ ควรจะสร้างบุญใหม่ให้มันเพิ่มมากขึ้นไปเพื่อเราจะได้พัฒนาจากความเป็นมนุษย์ปุถุนชนธรรมดาขึ้นไปสู่เป็นเทเพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลําดับต่อไปด้วยการบําเพ็ญทางศีลภาวนา น, นี้เท่านั้นแหละเป็นทางเดียวเท่านั้นเองดังนั้นทําได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขอให้ทําไปเถอะอย่าไปเสียดายชีวิตอย่าไปเสียดาอยอะไรั้งสิน้นทังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้ละ รักเพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมนี้ธรรมนั้นที่จะพาให้เราไปสู่สุคติไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งประทุกประการนั้นได้ก็ขอฝากเรื่องราวการบําเพ็ญทางสินงน้นสวาเนียมีให้ท่านทั้งหลายนำมาไปประพฤติปฏิบัติต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไหม่ แล้วท่านจะไม่ผิดหวังลับการที่ทได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการแสดงก็เห็นสมควรแกร่เวลาก็พอยุติมาเพียงเท่านี้ชให้พอเลยดีกว่านะไม่ได้เลืท <laughs> ่านเจาจันทีเราโยมเนี่ยพระบุตให้ทานนะนะฮะอก็ ต้องยังทํางานอยู่แล้วก็อยากจะทํางานแล้วหาเงินเยอะๆมาทําบุญนะฮะอันนี้ถือเป็นภาวะตันหานะฮะใช่ก็มันหลงอ่ะเพราะว่าทานี่ให้ทําในสิ่งที่เรามีไม่ให้ไปหามาทําเยอะมาก็วนอยู่นั่นน่ะการไปหานี่ก็เป็นความโลภแล้วอยากได้มาเยอะๆเพื่อจะไปทําบุญอะไรเงี้ยนั่นผิดแล้วผิดแล้วให้ทําในสิ่งที่เรามีหรือถ้าบอมีอยู่แล้วก็กลัวมันจะหมด ดอกเบี้ยดอกเบี้ยลงก็แบบกลัวจะหมดเลื่งจะกลัวจะไม่มีกินอะไรอย่างนั้นก็เป็นวิภารษ์ปัญหาวิพากปัญหาต้องไม่กลัววะไม่มีกินก็ตายไม่มีกินก็ตายินตายช้าตายเร็วท่านต่างกันแค่ตรงนั้นเองแต่อันี้ไม่พ้นเรื่องความตายเพราะฉะนั้นถ้าบอกใครมีมากพอแล้วเพื่อดำรงชีพอยู่ได้พอที่จะภาวนาได้ก็น่าจะพอแลละไม่ต้องไปทำมหาวิทยามัยไปเสียเวลาเปล่าๆไม่มันไม่เป็นทางตรงมันเป็นทางอ้อม ไปหาเงินมาเพิ่มแล้วมาทําบุญชาติหน้ามันก็รวยขึ้นหน่อยรวยขึ้นก่อเก่าแต่มันยังต้องกลับมาเกิดอีกแทนที่จะตัดภพตัดชาติในชาตินี้ได้เลยก็ไม่ตัดต้องไปวนอีกหลายรอบแต่จะเอาเวลาไปทํำงานหาเงินไปทําภาวนาดีกว่าอภาวนาดีกว่าบวชเลยรักษาสินได้ภาวนาได้มันดีไม่ดีชาตินี้กระจบได้ไม่ต้องไปวนอีกหลายร้อยชาติเหมือนกันมันได้อยู่ที่หญิงที่ชายอยู่ที่จิต เพราะในจิตนี่มันมีกิเลสเหมือนกันเท่ากันแล้วเราสร้างธรรมะได้เท่ากันเพียงแต่ว่าสถานที่การบําเพ็ญนี้อาจจะลําบากหน่อยสําหรับผู้หญิงแต่ก็มีทีสถานที่สำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติครูบาอาจารย์คุณแม่แก้วสั้นยังบรรลุได้ใช่ไหมมันอยู่ที่เราอ่ะมันไม่อยู่ที่จิตเนีถ้าจิตมันพุ่งไปแล้วมันไม่มีอะไรหยุดหยุดมันได้แต่ถ้าจิตมันไม่พุ่งก็ไม่มีใครฉุดยชากลากไปได้เหมือนกัน อยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องถักมันไปให้ได้จะผักไปได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ความขวนขวายถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้มากๆอ่านหนังสือฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติ ด, ด้วยอย่างตัมาตอนต้นที่ได้สัมผัสกับธรรมะจ ร, ะรงิงๆก็อ่านหนังสืออยู่ประมาณสักสองสามสามสี่เดือนเนาะก็อ่านเรื่องทานสิภาวนาเนี่ยเรื่องสมาธิเรื่องวิปนะัสสนาอะไรเย แต่ไม่ได้นั่งสมาธิสักทีเราอยู่ดีวันดีวันนี่มันก็เลิกได้เว้ยอ่านมาต้องนานแล้วนะทำไมไม่ได้นั่งสักทีก็เลยวางหนังสือแล้วก็นั่งมันเลยพอนั่งปั๊บมันก็ไปได้ใหม่ใหมันก็ยากหน่อยมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้าไม่นั่งไม่ทํามันต่อให้อ่านไปอีกสิบปีมันก็ไม่ไปถึงไหนเพราะการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกับการดูแผนที่เท่านั้นเองถ้าดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางไปสักทีถึงแมจะรู้ปิด จำได้ตลอดว่าแผนที่นี้จะไปตรงไหนเดี่ยวตรงไหนอย่างไรแต่ยังไม่ได้ออกเดินทางไปมันก็เหมือนกับไม่ได้ไปมันก็ไม่เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเดิมนั้นได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยต้องเอาไปทําเสียทําให้เธอจะไปเสียได้เงินทองเนี่ยกลับไปนั่งคิดเลยบวกลบคูณหารซึ <c oughs> <c oughs> ่ง จ, จะแบบปีแรกของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทำความเพียรอย่างอุกฤษเลยใช่ไหมคะ คือที่ที่อยู่ที่บ้านตากเนี่ยก็ไม่อุกิจเลยทําทําตามกําลังของเราดีกว่าพูดคําว่าอุกิจแล้วแหมมันเดี๋ยวมันกลายเพราะคนที่เขาอุกิจกันเรามันมีอยู่เยอะเพราะมัชิมาของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันนะคือเราทําเต็มที่ของเรากแล้วกันคือถ้าเป็นรถยนต์เราก็เหยียบมันสุดคันเร่งอะนะแต่มันจะเร็วกับคนคันอื่นเขาหรือไม่หรือช้ากับคันอื่นนี่มันไม่เหมือนกันเพราะรถแต่ละคันมันซีซีมันไม่เท่ากัน รถ ด, ดาวมันร้อยห้าสิบ cc ไปเจอรถสองร้อยห้าสิบ cc มันก็สุดคันเร่งด้วยกันแต่เ้าก็ต้องไปเร็วกว่าเราอ่ะแต่เร็วช้าก็มันก็ต้องถึงที่หมายด้วยกันอย่างเมื่อกี้มาใช่ไหมมาสามคันสี่คันมามาถึงก่อนสามคันอีกคันนึงแวะไปหลงผิดทางเข้าก็ <c oughs> มาช้าหน่อยแต่ถ้าไม่ยอมแพ้มันก็มาได้มันก็มาถึงได้แต่พวกที่มาที่หลังเกิดท้อแท้ใจโอ๊ตไปไม่ถูกก็กลับกรุงเทพเลยดีกว่า มันก็มาไม่ถึงใช่ไหมดังนั้นการปฏิบัติเราอย่าท้อแท้แต่เราจะต้องเจออุปสรรคเราจะต้องเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้บ้างแต่ก็อย่าหยุดคืออาจจะพักได้บ้างอาวันนี้เบาหน่อยวันนี้ภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องก็เาบาหน่อยมาอ่านหนังสือแทนหรือทําอะไรเพราะบางทีเราไปบีบมันมากๆกดมันมากๆ ม, ม, มันจะยิ่งเครียดใหญ่แล้วมันจะต่อต้าน แล้วมันจะทําให้ยิ่งมีปัญหาตามมาเวลาที่จะปฏิบัติเข่าต่อไปแล้วบางวันถ้าเรารู้สึกว่ามันนั่งไม่ได้จริงๆก็เอ้าถ้ฝืนเต็มที่แล้วมันไม่ไปก็เอ้านอนสักพักก็ได้แต่อย่านอนนานนอนเฉพาะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีกําลังก็เริ่มใหม่เทําไปเรื่อยๆมันการปฏิบัติบางวันมันก็ดีมันรู้สึกว่าไปสะดวกรวดเร็วจิตของเราบางทีมันเป็นอารมณ์อารมณ์ อารมณ์บางวันมันก็ไปทางมั่กมันก็ไปดีอารมณ์บางทีมันก็ไปทางสมุทัยมันก็ยากเหมือนก็เหมือนก็เหมือนก็เดินทวนลมก็เดินตามลมอย่างเงี้ยวันไหนถ้ามันเป็นตามลมนี่สิโอ้ยง่ายวันนี้นั่งสมาธิก็จิตก็สงบง่ายไม่คุ้นใจบางวันนั่งแล้วโอ้โหคิดแต่เรื่องนั้นคิดแต่เรื่องนี้มีแต่อารมณ์ชุนเฉียวอยู่ตลอดเวลานั่งงานก็ไม่สงบนี่เราต้องดูสังเกตจิตเราว่ามันมันมีอย่างนี้เหมือนกัน ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เอาเปลี่ยนถ้ามันอยากจะฟุ้งซ่านก็ลองเอามาเปิดหนังสือธรรมะอ่านดูก็ได้มันอยากจะคิดมันไม่อยากจะสนบก็เจริญทางปัญญาแทนอาจจะพามันพิจารณาดูอาการ 3.2 ของร่างกายไปก็ได้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอะารไปคือบางทีมันไม่อยากจะอยู่นิ่งๆก็ต้องต้องตามมันไปถ้าบางวันมันไม่อยากจะคิดมันอยากอยู่นิ่งๆก็ทําจิตให้มันสงบมันก็ง่าย แล้วเราก็ต้องคอยสังเกตดูตัวของเราเองว่ามันคือกิเลสมันมันชอบหลอกเราเรื่อยๆบางทีมันก็หลอกให้เรารู้สึกโอ้โหเราเก่งแล้วเกินเราใกล้จะสุดแล้วใกล้จะถึงที่แล้วแล้วมันก็หลอกเราว่าโอโ้ไปไม่ถึงไหนเลยทำให้เกิดความท้อแท้ความคิดหลังนี้มันจะมีมาอยู่เรื่อยๆเราก็ทําความเข้าใจว่ามันเป็นความคิดมันเป็นเหมือนกับลมเหมือนกับเมฆหมอกที่มันไหลามาพัดมามันไม่อยู่ไปตลอดหรอกความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆ มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปบางทีบางวันมันก็มีเมฆมีหมอกมาปกคลุมดวงอาทิตย์มันก็ทำให้รู้สึกพื้มไปหมดจิตใจของเราบางทีก็มีความอารมณ์ไม่ดีมาปกคลุมจิตใจก็รู้สึกมีความท้อแท้หิดหนาละอาใจเบื่อหน่ายก็มีสติแยกมันออกจากจิตจิตคือผู้รู้ส่วนอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็น เ, ม เ, มเหมือนเมฆหมอกจิตเหมือนกับดวงอาทิตย์ ก็ทําเป็นทําทําความเข้าใจว่า้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อมั น, ม, นมันเป็นอยู่มันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้เราควรที่จะอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันมาทําให้เราเสียหลักเราเคยทําอะไรของเราตามหน้าที่ของเร า, าเป็นปกติแล้วก็ทําไปถึงเวลาไหว้พระสวนมันก็สวดไปถึงเวลานั่งก็นั่งไปถึงแม้ว่าบางวันอาจจะไม่อยากจะนั่งอยากไม่อยากจะทําก็ทําไป เหมือนกับเรากินข้าวบางวันเราไม่อยากจะรับประทานอาหารเราก็ยังต้องรับประทานเพราะเรารู้ว่าถ้าเดียวเราไม่รับประทานแล้วเดียวเดียวมันก็หิวเหมือนกันถ้าวันไหนเราไม่ได้ภาวนาแล้ว เ, เดี๋ยวผ่านไปเราจะรู้สึกว่าจิตเราถอยลงไปเหมือนกับเราก้าวถอยหลงดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างน้อยก็พยายามรักษาไม่ให้มันถอยหลงังเคยทาได้เท่าไหร่ก็พยายามทามันไป จะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ทำมันไปถึงเวลาต้องทำก็ทำไปเมื่อจันครั้งมาทำนานๆเข้าเราก็เกิดความท้อถ้ามันไม่ได้ผลนะฮะถ้าจันมีบายยังไงที่จะประคองมันให้อยู่ฮะก็ในในในในพระอะไรในในหนังสือท่านก็สอนว่าเวลาเกิดความท้อแท้ก็ให้เร ล, ลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนเรา ท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญมาก่อนท่านก็ต้องต่อสู้กับขีนศกเหมือนกันแล้วก็ดูศึกษาถึงวิธีของท่านว่าท่านทําอย่างไรท่านถึงไปได้ก็ท่านก็ไม่ถอยท่านก็สู้ไปเรื่อยๆกูบาอาจารย์ทุกรูปตัวองค์นั้นก็สู้ไปเรื่อยๆท่านไม่ถอยท่านไม่หยุดท่านอาจจะพักบ้างท่านก็ไม่ได้แบบว่าปฏิบัติแบบขั้นอุป戒ทุกวันหรอกบางวันบางทีมันก็ต้องมีการพักบ้าง บางช่วงเพีงแต่ว่าไม่พักแบบทะเลทลยเลยเถิดไปทำเนื่องอื่นเลยอย่างลุงจาท่านก็เคยเล่าใหว่าท่านเคยภาวนาแล้วจิตสงบในสมัยแรกๆอะวท่านยังไม่ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นแล้วท่านไปอยู่คนเดียวแล้วท่านไปทํำกฎอยู่สามเดือนอยังไงไม่ทราบพอไปทำํำกฎแล้วตอนช่วงนั้นก็ไม่ภาวนาเลยพอทํำกฎเสร็จจิตก็ไม่สงบแล้วทําไงก็ไม่ มันก็ไม่กลับไปสงบเหมือนเดิมอีกแล้วท่านก็ลืมวิธีที่ทำให้จิตมันสงบเวลานั่งทีไรก็นึกถึงไอ้ความสงบที่เคยได้แล้วก็ไม่ได้ก็เกิดความท้อแท้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ตอนหลังท่านก็จับประเด็นได้ว่าเคยสงบยังไงก็ทาอย่างนั้นท่านก็กลับมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวสมวันหรือสี่วันไม่ทราบที่ท่านบอกว่าไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลย ยืนเดินนั่งนอนในระยะบทสี่ก็เอาแต่พุโทโธอย่างเดียวเพราะท่านอยู่องค์เดียวท่านไม่ได้มีเรื่องเราที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใครพอมีพุโทโธแน่วอยู่กับจิตปั๊บเดี๋ยวมันก็สงบแล้วการภาวนานี้นเราจะมีเครื่องวอัดประเมิเมนตัวเองได้ไหมคะความสงบเป็นไงความสงบในจิตความหนักแน่นในจิตใจความอิมอ่มเอิบจิตใจที่เกลียดเกิดขึ้นจากความสงบนมันจะเป็นผลเราพิจารณาดูจิตว่าเรามีความเออ หนักไม่ไม่ไม่ไมออนไหวหรื อ, อมีแรไม่มีแรกระทบนี้ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรไจะรู้สึกเฉยเฉย้รือจะเบากว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนในี้ใครพูดอะไรนิดทํำอะไรหน่อยก็ปุ๊บขึ้นมาเลยเงี้ยตอนนี้ก็อาจจะถึงย่งนี้อาจจะขึ้นแต่ก็ยเรา ม, มีมีตัวหน่วงไวม้มีตัวดึงไว้หรืออะไรแบบนี้จิตใจจะมีความหนักแน่นมีจะมีความใครเขาว่าไม่ค่อยจะไป อะไรกับเรื่องราวต่างๆมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับมีอะไรที่ดึงมันไว้แต่คิาได้ใจพูดถึงว่าเราเราติดผลที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ไม่ได้จดจำสิ่งที่ทำให้เกิดผลทั้งนั้นใช่ใช่ไหมครับางทีเราก็เอ๊ะเคยเป็นแบบนี้เราทำามันไม่เป็นลรวจี้อยู่ตรงที่ผลที่จะเกิดแต่แต่ลืมไปว่าวิธีทำให้ผลผลเกิดทำอย่างไรใช่ พอเวลาที่เราปฏิบัติใหม่ ๆ, ๆนี้เราจะทําแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆไปแล้วพอวังจังหวะไปทําถูกข้าวแล้วมันสงบข้าวเราก็แต่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันสงบได้ยังไงอ <c oughs> แล้วพอคราวหน้าเราจะทําอีกแล้วก็ไปคิดถึงให้ผลว่าอ่าคราวนี้จะต้องให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วก็นั่งคิดแต่ให้ผลอ่ะยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เลยคราวนี้นึกนึกไม่ออกเลยครับว่าผลมันเกิดยังไงก็ไม่มีอะไรมันก็อยู่ที่สติอยู่มีสติอยู่กับอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับกรรมฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องกํากับใจแล้วก็สถานที่อาจจะสงบไม่มีอะไรมารบกวนอย่างเี้ย ต, ตอน<ม>แล้วเลือบอาจจะเป็นเพราะภาวะของจิตในวันนั้นมันไม่มีเรื่องมีราวมากไม่มีปัญหากับใครไม่มีอะไรกับใครมันช่วยเสริมกันไงนิวร์มันไม่มาลุมล่มลาวเราบางวันบางทีเราอาจจะไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพอมาจะนั่งสมาธิไอ้เรื่องราวเหลนะ่านั้นนก็ยังยังเข้ามาอยู่ วันนั้นถึงแม้เราจะทําถูกวิธีมันก็ยังมันก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันมีไอตัวนี้คอยเข้ามาคอยมารบ ก, กวนเหมือนกับรับรับเปิด ว, วิทยุเนี่ยบางวันก็เคลื่อ น, ข, นขึ้นกระชากแจวแหววเลยไม่มีอะไรเข้ามารบ ก, กวนบางวันก็มีเสียงฟ้าร้องมีเสียงอะไรเข้ามารบ ก, กวนอันนี้มันเป็นภาวะภายนอกที่มันอาจจะมากระทบแต่ส่วนภาวะภายในก็อยู่ที่สติกับ กับคําบริกรรมหรือกับอะไรที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจผูกคิดไว้ถ้าเรามีให้มันอยู่ได้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ไปวัดไปคลิกเครื่องนั้นเรื่องนีนะ้โอกาสที่มันจะสงกมันก็จะมีมากรจะพูดถึงเอมัชชิมาแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ก็พวกเราเองนี่เราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้ก็คือมัชชิมาของเราตรงนี้ก็ต้องลองก็องเอาให้มันมากมากก่อนอมากมากเให้มันมากมาก่อนจน กระทั่งมันรู้สึกว่าเออมันมันมันมันเลยเถอดไปมันก็จะรู้เองอ่ะแต่สุดมามันจะอ่อนกว่าอ่าันเลยม่ชิมาไม่ค่อยเจอตกมชินมาว่ะเมื่อกี้ท่านพูดค้าไว้เรื่องนิวรณ์ห้าถึงตอนที่ม่วงสา3เส้นนอนแล้วมีข้ออื่นอีกอีกข้อเนี้ยอีกข้อหนึ่งก็คือรู้สึก ความโกรธใช่ไหมเขาเรียกอะไรความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็อย่างเนี้ยบางทีเราไปทำงองทํางานมีเรื่องมีราวต่างๆเข้ามากระทบจิตใจเราเวลาเรานั่งนี่มันก็จะไม่ไม่สงบความฟุ้งซ่านนี่ก็ ม, มันจะแก้บางทีก็ต้องแก้แบบที่บอกว่าก็ต้องเจริญปัญญาแทนคือบางทีเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธนี่มันไม่อยู่แล้วก็ลองพิจารณาดู เรื่องราวต่างๆก็ได้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่พิจารณาในทางหลักธรรมว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันจะเลวร้ายขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมชีวิตเราผ่านเรื่องราวต่างๆมามากน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วพิจารณาให้เห็นไหมว่ามันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราไม่ต้องไปกังวลกับมันอะไรมันจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดเช่นเราจะต้องถูกไล่ออกจากงานก็ออกงานดีซะอีกมันอาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่านี้ก็ได้ อมมองไปในทางที่มันเป็นทางบวกใช่<น>หไหมเขาบอกอให้ให้พลิกอะไรวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไมอมนี่คือการมองการคิดแบบคิดในทางสร้างสรรค์คิดทางทางปัญญาคิดอย่างนี้จิตมันก็สงบได้มันก็หายฟาุ้งซ่านบางทีเราไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นบุคคล น, นั้นมากเกินไปแล้วกลัวจะสูญเสียบุคคล น, นั้นไปนก็เลยทําให้ฟุ้งซ่านใหญ่เลยนั่งสมาธินั่งไม่ได้ แต่ถ้าคิด่าถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไปมันคนเรามันต้องจากกันอยู่ดีไม่ช้าก็เะไรสักวันหนึ่งจริงไหมเมื่อถึงเวลาอันไหนมันจะเป็นของเรามันต้องอยู่กับเราเน่ะอันไหนมันไม่ใช่เป็นของเรามันก็จะต้องไปดีจิตอย่างนี้ใจเราก็สงบลงแล้วความจริงมันจะเป็นไงเราก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมแต่นี่เป็นอุบายวิธีมาแก้ความคุ้งซ่าของจิตเราตัางหากแต่ความจริงเขาอาจจะอยู่ตกับเราไปตลอดเราอาจจะตายไปก่อนเขาก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องนี้ แต่ความความลักความอยากของเราเนี่ยมันไปทําให้เราสร้างสร้างความฟุ้งซ่านขึ้นมาในจิตในใจของเราเองแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทําสามารถทําใจให้เรารับกับสภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกับเราอยู่ในโลกเนี่ยจะหนีฝนไม่ได้หรอกฝนมันจะตกมันก็ต้องตกเมื่อมันยังไม่ตกก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมันตกก็ให้มันตกไปตกแล้วมันเราก็รับกับมันได้มันก็ผ่านไปได้ไม่มีอะไรที่เรารับไม่ได้หรอกคนเรา ถ้าตามด้ยังมีชีวิตอยู่มันก็อยู่ต่อไปได้ถ้าเราไม่ไปฆ่าตัวเราเองเสียก่อนถ้าเราสามารถทำจิตใจของเราให้นิ่งเป็นอุเบกขาได้ได้เสียอะไรมันก็ผ่านไปทั้งนั้นเนี่ยมาแล้วมันก็ผ่านไปอย่างนี้มันก็จะทำให้ให้เราหายฟุ้งซ่านได้ท่านก็บอกว่าให้เราใช้ปัญญาเข้าไปจี้ตรงไอ้จุดที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนั้นที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบ อันนี้ก็เป็นการค้าเรียวใช้เหมือนกับปัญญาอบรมสมาธิไปในตัวใช้ปัญญาทำระ ง, งับความฟุ้งซ่านเพื่อให้จิตใจมาสงบลงอันนี้ก็นิวร์ที่เรียกว่าความสุงซแล้วอันเนทางดรามีอัอ น, วออนความโกรธความก่อนนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เรานั่งแล้วนั่งแล้วไม่สงบ ก, ก็โมโหตัวเองก็โมโหไปทําไมโมโหมันยิ่งมันก็ยิ่งทําให้เลวร้ยายไปกว่าเดิมเนี่ย ก็ต้องยอมรับความจริงว่ตอนนี้ทําได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เราไม่ได้จะนั่งคนเดียวแล้วบรรลุเป็นถึงพระนิพพานนไหไลเราเราก็ต้องนั่งไปอีกนานต้องปฏิบัติไปอีกนานวันนี้ได้น้อยหน่อยก็อย่าไปโกรธเหมือนกับเราเป็นคนไปตกตกปลาเนี่ยบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยก็เอาตามมีตามเกิดวันนี้นั่งไม่สงบก็เอาไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้นั่งก็ยังดี ไม่ได้ไม่ได้มธม่ไม่ได้ความสงบอย่างน้อยก็ได้วิริยะได้ความอุตสาหะความภาคเพียรได้ขันติความอดทนอดกัน้นได้ความได้สัจจะคือความที่เราเอาเอาจริงเอาจังเราไม่หล่อแหละ <c oughs> เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปทำหน้าที่ของเราไปเพราะถ้าเราม า, ม, ามัวหล่อแหละวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำเพราะเดี๋ยวมันก็ยิ่งเละเทะไปะมันก็ยิ่งไม่ไปไหน เราต้องมีความเข้มงวดกวดขันต่อการปฏิบัติของเรา mm hmm. เราควรจะกําหนดเวลาล่ำเวลาไว้ว่าวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะไรสุดแท้แต่เจะต้องปฏิบัติมากน้อยเท่าไหรเราก็ต้องทําไปทำบุญทําทานเราต้องทํามากน้อยเท่าไหรเราต้องทําไปจีตเราก็รักษ า, ากต้องรักษาไปถ้าเรามีความเข้มงวดกวดขันเหล่านี้แล้วมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะขยับไปได้เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างมันก็เหมือนกับขับรถเนี่ย รถบางวันไปเจอถนนที่มันโล่งมันก็ไปเร็วบางวันไปเจอรถรามันติดมันก็ช้าหน่อก็ขยับไปทีละนิดขยับไปทีละหน่อยก็ต้องว่าไปเป็นตามสภาพแต่จะอย่าไปโมโหโธสูัย่าไปรีบร้อนเวลาอยากจะได้อะไรเร็วๆไม่ได้เร็วๆมันก็เกิดโธสะขึ้นมาเกิดความเกิดขึ้นมาหรือว่าเวลาจะนั่งแล้วเดี๋ยวเกิดคน น, คนู้นคน ύ, นี้มารบกวนคนนั้นทํานู่นทํานี่ส่งเสียงดังก็ไปโกรธไปโมโหเขาอย่างนี้ อาจจะต้องแผ่ความเมตตาให้อภัยเขาเขาไม่รู้เรื่องของเราอ่ะเขาไม่รู้ว่าเราต้องการความสงบเขาก็ใช้ชีวิตของเขาตามปกติของเขาไปเรางั้นเราก็ต้องทำใจกว้างๆนะอย่าไปโกรธใครอย่าไปหวังอะไรมากอย่าไปหวังผลมากขอให้สร้างเหตุไว้ก็แล้วกันแล้วผลมันจะมาได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหบตุกับใจ บางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยแต่รับรองได้ว่าถ้าเราทําไปอย่างต่อเ น, นื่องไม่หยุดไม่ถอยมทุกวันมันต้องถึงยนได้เนะี่ยจะถึงช้าถึงเร็วนั่นเองถ้าเกิดเราติดอยากได้บุญเยอะๆอย่างนี้นเราจะบาปนีค่คะถ้ามันได้อยากความอยากมันอยากเกินฐานะของเรามันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราไม่ได้หลังใจก็กดโทสะขึ้นมาความอยากเ้าอยากได้แต่ต้องคํานึงถึงความสามารถของเรา ว่าเราสามารถทำได้มากน้อยเพียงไรขอใหย้ยึดความสามารถของเราเป็นหลักอยากได้อยากจะไปถึงนิพพานวันนี้ก็อยากได้แต่มันจะไปได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ความสามารถของเราความอยากที่จะเป็นพระอรหันต์นี่มันไม่ใช่เป็นความผิดหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องแยกแยะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นความฝันเป็นเหมือนเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปแต่ ไอ้เครื่องที่จะพาเราไปนี่มันเป็นอะไรลนะ่ะเป็นรถจักรยานเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถเกง๋งมันก็ไปถึงช้าเร็วต่างกันใช่ไหมแต่เรามีรถเกง๋งมันก็ต้องไปเร็วกว่าคนที่เดินไปตั้งได้ก็คนจะตั้งนะเพราะพระเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรานั้นตั้งไปที่มรรคผลนิพพานนะนะั่นน่ยเพราะนี่คือเป้าหมายของพระพุทธเจ้าที่มาสอนตั้งศาสนาก็คือต้องการให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งทั้งปวง เพงแต่ว่ามันจะหลุดชาตินี้หรือจะหลุดอีกกี่ชาติเท่านั้นเองบางคนก็หลุดชาตินี้ได้บางคนก็อาจจะเป็นโสดาหรือเก็บชาติบางคนก็เป็นสกิดาคานี้ก็เหลือชาติเดียวอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพอีกก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพร ม, มโลกแล้วก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ลำในลําดับต่อไปมันก็เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญทา น, นศีลภาวนาเท่านั้นเอง ทำมากทำน้อยทำถูกทำผิดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีบุญวาสนาะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีหรือไม่ถ้าได้เพื่อนที่ดีที่เขาชวนเราปฏิบัติเวลาเราท้อแท้เขาก็ให้กําลังจิตกําลังใจกับเราเขาทําเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเช่นเขาเรานั่งได้ครึ่งชั่วโมงเขานั่งได้ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วนั่งกับเขาบางทีเขายังไม่ลุกแล้วก็ทําให้เราฮึดอะนั่งต่อช่วเข้าไป ถ้าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีเรานั่งได้ครึ่งชมวงเขานั่งได้สิบห้าทีพอสิบห้าทีเขาลุกเดินหนีไปละเดี๋ยวเราก็อทนนั่งไม่ได้ก็ต้องต่างพขาไปอย่ น, นพระพุทธเจ้าสอนบอกว่ารรถ้าจะคบคนให้คบคนที่เขาดีที่เขาเก่งกว่าเราหรืออย่างน้อยต้องเท่าเราอย่าเท่าแย่กับเราอย่าไปคบอยู่คนเดียวดีกว่านะที่พวกเราไปแสวงหาครูบาอาจารย์เพราะท่านท่านเก่งกว่าเราท่านดีกว่าเราท่านสามารถเป็นตัว ดึงดูดให้เราขึ้นไปได้ท่านอยู่ทุ้งกับเราท่านหย่อนเชือกลงมาให้เราปีนป่ายขึ้นไปได้ท่านเป็นแบบฉบับที่ดีเรื่องเราต่างๆท่านเล่าให้เราฟังนี่ยมันเป็นคติทั้งนั้นมันทำให้เราเกิดกำลังจิตกาลังใจเป็นไง ดีทุกครั้งที่มานั่นคือไม่ก้าวแก้ปั่มวุ่นอย่างเขาโน่นตอนเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าวิธีหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารพอประมาณหรือพอประมาณนี้ก็แล้วแต่ละคนนะบางคนก็บางทีไม่ฉันมือไม่ฉันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วบางคนก็รับประทานมื้อเดียวบางคนก็ ผ่ อ, อาหารสักสาวันไม่รับประทานอาหารสักสาวันอาจจะอาจจะดื่มพวกน้ำผลไม้หรืออะไรของที่มันเบาๆดื่มเข้าไปแล้วมันทําให้เราไม่ไม่ง่วงเหงาเหงานอนแต่ในทางในใ น, ในพระไตรปิฎกท่านก็มีเล่า ว, ว่าถ้าเกิดง่วงนอนก็นั่งแล้วมันง่วงนอนก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้หรือถ้าถ้ามันยังง่วงอยู่ก็ให้ไปเดินจงกรมที่มันน่ากลัว อย่างครูบาอาจารย์ท่านไปเดินจงกรมทางเสือผ่านอย่างเงี้ยอย่างงั้นมันก็จะไม่ง่วงไปนั่งเถาที่มันน่ากลัวมันจะไม่ง่วงอ่ะดั้นบางคนก็ให้ไปนั่งในป่าช้าอย่างเงี้ยหายง่วงเลยพอไป <c oughs> <c oughs> มันมีหลายวิธีแต่เราต้องพิจารณาดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเรา <c oughs> เพราะว่าถ้ามันไม่เหมาะกับเราเราคนขี้กลัวไปนั่งอยู่ในป่าช้าเดี๋ยวก็กลายเป็นคนบ้าไปเลยกัน <c oughs> ทานครับเมื่อกีท่านบอกว่ามางคนต้องลดอาหารเพื่อทําให้โภนาดีแต่บางครั้งโภนาเนี่ยถ้ารู้สึกหิวจะต้องนึกถึงจะเรื่องจะทานหรือจะทานอะไรอย่มันจะนึกถึงแจ่เรื่องนัอยู่การโอนาอย่างไงก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับเราอาจจะไม่ถูกใจกับเราเราอิ่มก่อนแต่ก็อิ่มพออย่างนี้ก็เอาอย่างมากก็ได้กคเพียงแต่ไม่ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว คือแ ม, ม่ให้อิ่จนเกินเไินะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหิวเพราะ้หิวเราก็จะหมกมุ่งแต่เรื่อง<ช>ว่าเดี๋ยวจะต้องทานอะไรอย่างนี้อย่างคูบาจารย์ท่านสอนไงใช่เวลาเราพัฒนอาหารเนี่ยพอรับประทานเข้าไปแล้วเริ่ละละมรู้สึกอิ่มปั๊กให้หยุดแล้วดื่ม น, น้ําเข้าไปเลยแล้วก็มันก็จะรู้สึกนแน่นท้องแล้วมันจะไม่เวลาเวลาเสร็จแล้วมันจะไม่หนักมันจะไม่ทําให้เราง่วงเหงาหานอน แต่ถ้ารู้สึกอิ่มแล้วยังขอของหวานเพิ่มขอไ้นั่นอีกนิดหนหน่อยเดี๋ยวมันก็ภุงกลางก็เป็นนักปฏิบัติมันจะต้องต้องกล้าหานต้องกล้าเสียสละกับไอ้เรื่องความสุขทางทางกินทางนอนเนี่ยที่เรามีปัญหากันส่วนใหญ่ก็เิดเรื่องกินเรื่องนอนกันมันถึงไปไม่ถึงไหนกันต้องยอมนอนกับดินกินกับตายได้ แต่มางที่ต้องไปอยู่ตามวัดกรรมาฐานบ้างเพราะท่านมีไว้เพื่อที่จะมาช่วยเราในเรื่องภาวนาเรื่องกินเรื่องอยู่นี่มันจะไม่สะดวกไม่สบายแต่เราก็ต้องมีความมนแน่วแน่มั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งถ้าจิตใจเรายังไม่แน่เราไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณก็ได้ก็คือกเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความคิดไปในทางที่ไม่ดีไปเสียเลยก็ได้ อาจะหาว่าทํานี้ไปทําไมบ่าบอคอแตกกิเลสมันคิดได้ไปทุ ก, ท, กทุกวิธีทางนั่นก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพนับถือได้เนี่มันดีเพราะว่าบางทีกิเลสมันอาจจะคิดไม่ดีแต่เพราะความเกรงอกเกรงใจความเคารพในตัวท่านมันก็จะทําให้กิเลสไม่กล้าออกมาคิดในเรื่องที่ไม่ดีได้แต่ถ้าเราไม่มีผู้ที่เรา เกรงกลัวเขาลบนับถือเนี่บางทีกิเลสมันก็คิดไปได้ร้อยแปดเรื่องดีๆมันก็คิดเป็นเรื่องไม่ดีไปได้เหมือนกันดันั้นการมีครูบาอาจารย์ที่ดีได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอาจารสายท่านเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ที่คอยให้กำลังจิตกำลังใจเป็นผู้ที่คอยแนะนำทางต่างๆให้แล้วก็มีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชอบสนใจในการปฏิบัติ ทำบุญร่วมกันอย่างเงี้ยก็ดีเกาะกันไปไว้แต่ ถ, ถ้าถึงขั้นภาวนาแล้วต่อไปมันจะแยกตัวไปเนะเห <c oughs> มืนเข้าเหรอดังแล้วแยกวงอะ่ะ <c oughs> เมื่อจิตมันภาวนาเป็นแล้วมันจะไม่อยากจะไปทําบุญทำทานกันแล้วเพราะมันเสียเวลา <c oughs> อย่างวันนี้ใช่ไหมเสียเวลาทํำนั่งรถทั้งวันสิบกว่าชั่วโมงนี้ส่วนใหญ่จะได้การทําทํา ท, ท, ทําทานมากกว่า ก, ก็ได้บ้างก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมะ แต่ภาวานานี้แทบจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเราไปภาวานาเป็นได้ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อไม่จําเป็นจะต้องไปหาครูบาอาจารย์มากน า, นานฟังสักครั้งก็ได้ยิ่งสมัยนี้มีเทพมีอะไรมีหนังสือแทบบางทีจะไม่ต้องไปเจอตัวท่านเลยก็ได้เพราะสาระที่แท้จริงของครูบาอาจารย์มันอยู่ในตัวธรรมะนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ในตัวท่านหรอก แต่พวกเราไปหลวงยึดติดในตัวท่านไปถึงก็จะรีบถ่ายรูปก่อนแล้ <c oughs> จะเอาไปเก็บไว้บูชาละวใช่ไหมแต่ท่านพยายามสอนว่าตัวท่านอยู่ในธรรมะพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยตถาคตพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่เคยอนุญาตให้ใครสร้างพระพุทธ ร, รูปขึ้นมาในสมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนมชีวิตอยู่ตอนเน้นอยู่ที่ตัวเดียวทำวินัยนี้จะเป็นศาสดาแทนแทนเราต่อไป ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแลง้นขอให้ ย, ยึดสาระคือธรรมะคําสอนเพราะนี่เป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของท่านจริงๆส่วนร่างกายนี้มันเป็นเหมือนกับ เ, เป็นเปลือกเป็นเปลือกเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่หุ้มผ่อรงแท้ของท่านก็คือธรรมะนี่เองงนั้นพยายามยึดเอาที่ธรรมะพยายามศึกษาพยายามฟังเทศน์ฟังธรรมท่านมีครูบาอาจารย์ท่านมีเทศน์ตั้งเยอะแยะเคยปคยสงงังกันบ้างบ้างอ่บา ควรจะฟังกันอยู่เรื่อยนะฟังแล้วก็พยายามนั่งควรจะภาวนาทุกวันด้วยถ้าทําได้นะไม่อย่างน้อยวันหนึ่งสักกี่ครั้งก็สุดแท้แต่เราจะสามารถกําหนดได้บางทีไม่ต้องอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้ า, าอยู่ที่ทํางานแล้วเรามีห้องทํางานของเราเองเวลาเรามีเวลาว่างเราก็ปิดห้องแล้วก็ทําจิตให้สงบสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีคือพยายามให้จิตใจอยู่กับธรรมะอยู่กับการปฏิบัติ สองอย่างนี้อยู่กับการได้ยินได้ฟังอยู่กับการคิดในในทางธรรมะคิดในเรื่องที่เป็นกุศลแล้วก็พยายามทำจิตใจให้สงบหลับกันไปทำแบบนี้แล้วมันจะจเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องพยายามตัดลดละงานงานสังคมต่างๆงานแต่งงานงานงานกินเลี้ยงงานอะไรต่างๆเหล่านั้น อ้ามันจำเป็นก็ก็ก็ตัดไปเพราะมันเสียเวลาไปแล้วมันจะทําให้เราเดินถอยหลังเพราะเวลาละครนะจิตแทบจะสงบแล้วพอไปกินเลี้ยงกลับมาภาวนาไม่ลงอะลายวันก็จจะภาวนาลง <c oughs> <c oughs> นะดูหนังดูละครฟังเพลงอะไรแล้วเนี่ยพยายามลดมันไปมันต้องมันต้องตัดเนี่ยตัดด้วยแล้วก็ต้องสร้างด้วย ตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีเข้ามาทําทั้งทั้งสองอย่างพร้อมๆกันไปแล้วมันไปได้อาตมาก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดมาจะมาบวชหรอกเพราะคนเร า, เราอาตมาก็มาจากครอบครัวที่บ้านพ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดเข้าว่าเป็นคนจีนแล้วก็คนจีนแบบที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีศาสนาอย่างนี้น แต่ไม่ทราบเรามันอาจาจะมีมีมีเชื้อเดิมอยู่มันก็คอามจริงมันก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องศาสนาจนากระทั่งอายุต้อง25แล้ว25หลังจากที่เรียนจบแล้วนั่นแหละตอนนั้นมีเวลาว่าแต่โดยธรรมชาตินะั้นมันเป็นคนชอบความสงบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไม่ค่อยชอบไปเที่ยวเกเรไปกินเลี้ยงกินเล่าอะไรกับเพื่อนฝูงอะไรนี้ไปบ้างแต่ แต่ไม่ไม่บ่อยไม่มากถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไปโดยธรรมชาติอยาชอบไปอยู่ไปไปอยู่ตามป่าไปอยู่ตามชายทะเลอะไรอยู่กับธรรมชาติ ม, ามันจะว่ามั น, ม, น ม, มันมีความสุขแบบเลย น, นแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จกักศาสนาเลยยังไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นจะเดินไปในทิศทางใดก็เพียงแต่ดาเนินไปตามที่พ่อแม่เขาวางแผนไว้ให้ก็คือให้เรียนหนังสือ เรียนจบแล้วเราจะได้มีงานมีการทําำพอเราจบมาแล้วจิตมันเริ่มเป็นตัวของมันเองขึ้นมามันเริ่มคิดว่าโอ๊ยจะทํางานอีกสามสิบปีสี่ปีมันก็แก่อย่างมากก็ได้เงินได้ทองมาก้อนนึงได้ลูกได้เมียแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตายไปมันก็มีแค่นี้เองชีวิตของคนเรามีเพียงแค่นี้เหรือมันก็ถามตัวมันเองแล้วก็มันก็ไม่มีความสุขด้วยดูสังเกตดูเพราะมันต้องไม่ทํางานทําการหาเงินหาทอง มีภาระมีอะไรต่างๆมาได้เง น, นมาก็ต้องใช้มันไปสู้คิดถึงสมัยที่เป็นเด็กๆสมัยที่เรียนหนังสืออีนี่มันสบายมันไม่มีภาระอะไรมีแต่หน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวแต่เาว่างเราก็จิตใจของเราถ้าไม่ต้องไปทําอะไรอยู่เฉยๆมันก็มีความสุขมันก็คิดว่าทําไมชีวิตของเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอยู่แบบเฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ได้ทำไมจะต้องไปดิ้นรนหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มา มันก็เลยทําให้มีคนแนะนำหนังสือมาให้อ่านก็นั่นคือธรรมะเล่มแรกแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นพวกพระที่อยู่ที่ประเทศสีงังกาต้องไปคัดเอามาจากพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นเรื่องกายรักเรื่องภาวนาเรื่องสติปัฏฐานอะรอ่างเงี้อดูเล่มแรกที่ได้ก็เข้าเขียนเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องการนิจจาความไม่เที่ยง เขาก็เปรียบเทียบความคิดของคนตะวันออกของศาสนาพุทธกับของคนตอนของนักปราชญ์ทางตะวันตกแล้วก็เปรียบเทียบไปว่าพวกนักปราชญ์ก็เห็นนักปราชญ์ทางทิศตะวันต <c oughs> เนกเขาก็เห็นความไม่เที่ยงแต่เขาไม่รู้วิธีจะทําปฏิบัติกับมันอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าท่านท่านก็รู้วิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ว่ากับสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าควรจะทําอย่างไรกับมันก็คือไม่ก็คือให้ปล่อยวางนั่นเอง อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันถ้าไม่มีความจาเป็นก็อย่าไปเอาเอามันเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราเพราะเมื่อเอาเข้ามาแล้วมันจะต้องมาสร้างความทุกข์ให้พวกเรานั่นเองคือท่างสอนให้ปล่อยวางแล้วท่านกบสอนวิธีปล่อยวางด้วยการบําเพ็ญทางสิงภาวนาเนี้ยเราก็เลยเริ่มเริ่มทานเราสังเกตดูแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่มีสมบัติอยู่แล้ว <laughs> ก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรมากแล้วเราก็เป็นถ้าเรามีใครเดือดร้อนแล้วเราก็ช่วยเหลืออยู่แล้ว เรื่องศีล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบฆ่าตัดชีวิตไม่ชอบโกหกไม่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยบอกก็เราขาดก็ขาดที่ภาวนาเนี่เราก็เลยลองลองทําภาวนาดูทําภาวนาไปปั๊บมันก็มันก็ได้ไปเรื่อยๆได้ถึงแล้วแกเทียน้อยจนกระทั่งรู้สึกว่าเออพอไปได้ก็เลยลองปฏิบัติอย่างนี้อยู่ปีหนึ่งเมื่อปฏิบัติทังปีนึงก็คิดว่า ตอนนี้ถ้าจะไปบวชก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะตลอดปีนี้เราก็อยู่แบบเหมือนกับนักบวชอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวตไปหาความสุขจากอะไรวันๆหนึ่งก็มีแต่อ่านหนังสือธรรมะนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ถือแล้วรับประทานอาหารแค่วันละมือ้อเท่านั้นเองเท่า น, นั้นรับประทานไปก็เลยก็เลยตัดสินใจอนะบวชก็เลยจะ้ไปบวชที่วัดบวรแล้ว พอไปไปอยู่ที่วัดบัวังก็มีคนแนะนําที่วัดป่าบ้นตากก็เลยไปเป็นไปก็ก็ได้อยู่ที่นั่นอยู่เก้าพรรษาอยู่ีสองห้าหนึ่งแปดอยู่ถึงปลาปลายปีสองห้าสองหกก็แปดปีกว่าคือเก้าปีแต่อ้นับพรรษาก็เก้าพรรษาด้วยกันอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยกลับมาเยี่ยมบ้านอยู่สองครั้งเท่านี้น ระยะเวลาเก้าปีแปดปีกว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางไปไหนบวชชีวิตนักบวชไม่ได้เดินทางไปไหนเลยพอพอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันเคยขึ้นไปเชียงใหม่อยู่อยู่ครั้งหนึ่งมีคนเข้าไปทอดทอดกระถินก็ชวนไปนั่งทรอดเที่ยวด้วยนะก็ไปก็เห็นเราไม่ได้ไปไหนเลยเลยชวนไปก็ไปอยู่ครั้งเดียวเท่านี้คือเดินทางไกลได้ไปทุดงหรือไม่คไม่ได้ไป ทุดดงพอดีที่อยู่ในวัดนั้นมันก็เป็นที่คล้ายๆกับที่เราสามารถบําเพ็ญได้เพราะการความการที่ไปทวดดวงในส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้เราอยู่ห่างไกลจากภารกิจการงานต่างๆที่ไม่ใช่งานภาวนานี้หลวงตาท่านกบพยายามส่งเสริมเรื่องภาวนาอยู่แล้วพระพระหนึ่งที่ต้องการภาวนาท่านก็จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆท่านส่งเสริมเต็มที่ท่านถึงเน้่ๆเรื่อง สองเรื่องการออกอาหารเนี่ยเวลาอดอาหารก็ไม่ต้องมาไปบินตบายไม่ต้องมาทํางานเกี่ยวกับงานส่วนกลางเช่นช่วยทําล้างล้างถ้วยล้างชามไม่ทำอะไรต่างๆก็ไม่ต้องทำปัดกวาดก็ไม่ต้องมาปัดกวาดกับหมูคณนะปัดกวาดแต่เฉพาะที่พักของตนเองทั้งวันก็มันก็ทําแบบนั้นการภาวนามันจะต่อเนื่องเราไม่ต้องมาเสียเวลา จิตมันจะวิเวกอยู่ตลอดเวลากายมันจะวิเวกอยู่จิตมันก็จะวิเวกกันเพราะเวลาถ้าเรามาทําอะไรกับหมู่คณะนี่มันจะต้องเห็นรูปเห็นได้ยินเสียงมันก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมามันก็จะไปบบรบกวนเคยพูดโธรไว้พูดโทไว้มันก็หายไปหมดเพราะมันจะต้องมาพิจารณาเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่ในที่พักของเราอยู่ที่ปฏิบัติของเราถ้าเราพูดโธอยู่แล้วก็พุดโธต่อไป เราพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยๆมันต่อไปมันก็จะติดอยู่ในใจของเราติดใจข้างล่ามันจะกลายเป็นฝังใจเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนึกคิดไปเลยพอความคิดของกิเลสที่มันมันตรงกันข้ามกับความจริงมันปรากฏขึ้นมามันไอ้ไอธรรมะที่เราได้สะสมไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาต้านกันไอกิเลสมันก็ต้องถอยกลับไปเพราะมันหลอกเราไม่ได้ เนีย่ยถ้าเราเราบางเพญไปเรื่อยๆมันเราจะมีปัญญาเข้ามาฝังอยู่ในจิตในใจของเราไวา้ต่อสู้กับกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมาเราจะเรายิ่งได้ได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีประสบะการณ์จากการปฏิบัติดโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องจิตนี่มันทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องงงทางมากพอมาถึงตรงนี้ปักก็รู้จะต้องทำอะไรต่อไปถึงตรงนี้ก็ทําอะไรต่อไปก็ทํำเราไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีนี่เราจะต้องมาถึงนี้เราจะจินนานาการละให้ hey, เราถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยเราต้องทํำนี้บางทีมันผิดละมันลงไปได้คนที่ไม่เคยเนี่มันจะหลงทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันทำแล้วมันจะยึดทําทางก็จะยึดเนี่ยทําทางแล้วก็อยากจะทําทางเยอะๆไม่เข้าใจว่าการทําทางเพื่อจะส่งให้เราเข้าสู่การรักษาศีลใช่ไหมเราคนรักษาศีลก็ไม่เข้าใจว่าทํารักษาศีลเพื่อจะส่งให้เราเข้าสู่การภาวนา บาที่รักษาศีนก็หหยมัว ม, ว, มวแต่รักษาให้มันสะอาดบอยสุดธิ์จะทำอะไรนิดๆหน่อยก็กลายเป็นความกังวลไปหมดว่าผิดศีนหรือเปล่าอย่างงู้นหรือป่ามันก็เลยทําให้จิตใจเกิดความกังวลขึ้นมาแทนที่จะเกิดความสงบพระภาวนาได้เป็นสม า, าธิแล้จิตสงบก็ติดอยู่ในสมาธิเไม่อยากจะออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบแต่ถ้าไม่คิดไม่พิจารณา ม, มันก็จะไม่เกิดปัญญาขึ้นมา เนี่ยมันความจริงทานศีลภาวนามันในเครื่องสนับสนุนกันมันเป็นเหมือนขั้นบันไดเมื่อเราทําทานแล้วเราก็ควรที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นศีลต่อไปเมื่อเข้าสู่ขั้นศีลก็ควรจะบำภาวนาแต่บางทีมันอาจจะไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องรอปีสปีแล้วก็ขึ้นถึงขั้นย่งแต่หมายถึงว่าถ้าเรามีทานแล้วเราเราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ศีลได้เราก็เข้าไปเลยศีลห้าได้ก็เข้าไปศีล8ได้ก็เข้าไป ถ้าสินแปก็ภาวนามันก็สะดวกขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างศินห้าสินแปดมันมันจะต่างกันถ้าเราภาวนาถ้าเรามีศินแปดนี่มันจะภาวนาดีกว่าเพราะมันช่วยมันช่วยเสริมความสงบได้มากกว่าแล้วเมื่อได้ความสงบแล้วเราก็ต้องเข้ามาเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ขันห้าพิจารณารูปพิจารณาตัญญาสังขารวิญญาณ ให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมเนี่ยไม่ไม ไ, มไม่มีตัวไม่มีตนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราความคิดนี้เป็นเราเวทนาที่เป็นเราแต่ความจริงๆนะนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของมันเองโดยธรรมชาติเช่นร่างกายนีมันเกิดเกิดขึ้นจากการรวมตัวของบินน้ำลมไฟเข้ามาเวทนามันก็เกิดขึ้นจากการสัมผัสต่างๆร่างกายของร่างกายเรียกากายเวทนา ส่วนจิตเวทนาว่าเกิดจากเกิดจากความคิดปรุงแต่งถ้าคิดไปในทางอิเลสมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าคิดไปในทางธรรมะมันก็เกิดความสงบความสุขขึ้นมาสิงเลานี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเข้าใจแล้วเราจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปพอเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางไป แล้วมันก็ไม่มีครับมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับมันต่อไปมันจะเป็นยังไงเราก็รู้ทันมันหมดแล้วเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันเงี้ยหลังจากเราเราเกี่ยวข้องกับใครสักคนอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันก็หมดแล้วเขามีอยู่สามทางเขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะแยกกับเราในอันเนี้ยสองทางเราก็รู้อยู่ก่อนละล้วก็พร้อมที่รับทั้งสองทางเขาจะไปก็ไปเขาจะอยู่ก็อยู่ใจเราก็ไม่วุ่นวายใจของเราก็สงบ แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้บอกโอ้ยก็อเอาทางเดียวคือเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเขาหนีจากเราไปไม่ได้เงี้ยพอเกิดมีความรู้สึกว่าเขาจะไปเนี่ยมันจะต้องวุ่นวายใจขึ้นมาแเนี่ยเราต้องเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติเราต้องยอมรับของมันได้เช่นเวทนาก็มีอยู่สามชนิดมีมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มันก็วนกันไปเวียนกันมาอย่างนี้มันจะเป็นไงเราก็รับมันเราไม่ต้องไปวิ่งเข้าไปหามัน เช่นเวลามีความสุขก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ขอเราไปนานๆว่าเดี๋ยวมันเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเวลามีความทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันหายไปเมื่อมันเมื่อยังมันมันยังอยู่ก็ให้มันอยู่ไปรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปกําหนดรู้ไปตามความเป็นจริงของมันในในขณะปัจจุบันนี้ตอนนี้สุขก็รู้ว่าสุขตอนนี้ทุกข์ก็รูกว่าทุกข์แต่ใจไม่ต้องไปเกิดความอยากอย่างอย่างได้แยงเลยนี่คือวิธีปฏิบัติ แต่จะทำใจให้อยู่แบบในยินได้ก็ต้องฝึกทําสมาธิอยู่เร<ๆ>ื่อยๆเพราะการทําสมาธิก็คือการทำใจให้เป็นอุเบกขาแต่มันจะเป็นอุเบกขาได้ได้ไดชั่วขณะที่มันอยู่ในสมาธิแต่ทีนี้เมื่อออกมาแล้วเราเราเราูรา้แล้วว่าการทําให้มันเป็นอุเบกขาได้ไงนี้เราจะให้มันอยากอยู่อย่างนั้นได้เราต้องอาศัยปัญญาในขณะที่มันไม่ได้อยู่ในสมาธิ yup. ราะจิตมันจะออกจากอุเบกขาทันทีเวลามันไปสัมผัสกับสุขเวทนามันจะวิ่งเข้าหา ไปเจอทุกเวทนามันจะวิ่งหนีเดี๋ย่เราต้องพยายามดึงมันไว้เวลาไปเจอสุกเวทนาก็ให้มันดึงมันไว้อย่าไปอย่าวิ่งเข้าไปหาเวลาเจอทุกเวทนาก็อย่าไปวิ่งหนีมันพยายามทําใจให้เฉยเมื่อเราอยู่ในสมาธิถ้าเรายังควบคุมไม่ได้ก็อาศัยพุโทโธไปก็ได้ในขณะนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็เหตุแล้วต่างๆเรื่องราวต่างๆมันก็ผ่านไปเช่นเราเจ็บไข้แน่ตัวย่างเงี้ยแล้วเมื่อเราเป็นเจ็บไข้แน่ตัว ไปทำอะไรไม่ได้มีมีเวทนาอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรามีความคิดอยากจะให้มันหายมันก็จะทะลามานจิตใจเพราะมันยังไม่หายแต่ถ้าเราทําจิตใจให้สงบคือพุทโธพุทโธไปไม่ไปอยากให้มันหายมันจะเป็นไงข้ามมันเป็นไปเดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายเองใจของเราก็ไม่วุ่นวายเราดับความทุกข์ในใจได้แต่เราดับความทุกข์ทางกายไม่ได้ความทุกข์ทางกายมันต้องเป็นไปตามตาม ตามตามเหตุตามปัจจัยหน่อยเดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายเอยงแต่เรารักษาได้ก็คือใจเรารักษาไม่ให้ใจของเราต้องทุกข์กับกับมันในการทําการทําปฏิบัติคือต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญาสมาธิมันก็จะทําให้จิตเป็นอุเบกขาได้ในขณะที่มันสงบรวมตัวลงแต่เมื่อมันออกมาแล้วถ้าไม่มีปัญญาคอยคอยควบคุมจิต มันก็อาจจะแกว่งขึ้นได้มันจะแกว่งไปหาความสุขแกว่งหนีความทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาบอกว่าอย่าแกว่งการแกว่งของจิตนี้เป็นความทุกข์มันรู้เวลาจิตมันสงบแล้วเพรอจิตก็เพื่อนี่มันความทุกข์ทั้งนั้นแหละเพิ่มเพราะความอยากก็เพิ่มเพราะวิภาวะตันหาหรือก็เพิ่มเพราะภาวะตันหาอยากมีความสุขก็เป็นภาวะตันหาอยากหนีจากความทุกข์ก็เป็นวิภาวะตันหาใช่ปัญญาแล้วมันจะอยากจะหนีจากทุกข์บาง สุขไม่ค่อยได้คิดถึงอาจจะไมไ่คิดแต่มันมันเป็นโดยธรรมชาติไปโดยที่เรามัรู้สึกตัวความสุขนี้เราทุกคนก็ก็อยากจะได้กันเนทะ่านั้นแต่ความสุขนี้พูดถึงความเป็นความสุขของเวทนานะอันนี้มันไม่ได้สุขที่เกิดจากความสงบของจิตความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตด้วยสมาธิก็ดีหรือ ด, ด้วยปัญญาก็ดีที่เรียกว่าเป็นวุวตินี่มันมันเกิดจากการที่ทําจิตให้นิ่ง อันนี้มัต่างกันความสุขที่เกิดจากสุขทางเวทนานี้หมายถึงเวลาเราเห็นอะไรเห็นภาพที่เราถูกอกถูกใจจิตเราก็ปรุงไปในความสุเกิดความยินดีขึ้นมาอันนี้มันเป็นความสุขที่มันเกิดดับเปลนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยแต่สุขเหล่านี้เราต้องระมัดระวังไม่ไปหลงไปยึดไปติดมันหรือความทุกข์ที่เกิดจากการเห็นหรือได้ยินเสียงที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้เราต้องอย่าไปอย่าไปรังเกียจมันพยายามอดทนฟังไปใครก็จะพูดยังไงไม่ดียังไงก็ปากของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเรามีท่าหน้าที่ทำใจของเราให้ให้รับรู้รอบปล่อยวางเท่านั้นเองห้ามเขาไม่ได้ห้ามใจเราได้ทิดแค่นี้ทำทั้งหมดก็มามามาม า, มาลงมาลงที่ใจนี้เพื่อมาควบคุมจิตใจให้มันสงบ ให้มันไม่ไปหลงกับอะไรทั้งสิ้นก็ต้องตัดต้องปล่อยต้องวางก็สรุปลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราอะสเพธรรมานัสตานาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าอย่านอยากไปเสียดายมันเอามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแบบฉบับที่พระเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาพระเจ้ามีสมบัติมากน้อยแค่ไหนก็สละออาบวน แล้วก็บําเพ็ญทางกับศีลสมาธิปัญญานีฉน่ฉนเองปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะมันก็จะเสร็จ เ, เร็วสร้างบ้านเนี้ยสร้างกุฏิหลังเนี้ยถ้าเราวันหนึ่งมาเคาะต่อปูร้อสองสามตัวแล้วก็หยุ่เนี้ยอีกสิบปีมันก็ไม่เสร็จใช่ไหมแต่ถ้าเราทําทั้งวันทั้งคืนนี่ยวันสองวันมันก็เสร็จแล้วการภาวนาการบําเพ็ญก็แบบเนี้ยถ้าเราทำอย่างต่อเ น, นื่องไม่หยุดไม่หย่อเนี่ยไม่นานหรอกเดี๋ยวเดียวนี้ แต่ทำให้พุทธการเขาเขาเขาบรรลุกันเป็นกันว่าเล่นเน่ยแต่พวกเราส่วนนี้่เสียดายยางอื่นมากกว่าไปทําอย่างอื่นมากกว่าาลองลองพิจารณาดูแต่ว่าเวลาที่เราให้กับการภาวนากับเวลาที่เราไปทําอย่างอื่นนี่มันมันเท่าไหร่ถ้า <c oughs> ผลมันก็จะมันก็จะฟ้องอยู่ในตัวของมันนั่นแหละ มีอะไรมั้ยไม่มีก็ให้พรนะนไม่ใช่ยะทาวาเลกวาหาภุราปุระภูเรนติสากะลังเอวามีวาอิโตกินนางเปตตันางอุปกัรปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะมีวาสันติจตุสะพีภูเินตุสังกปา กานโทปณาระโสยถามะนิชติระโสยถาสัพพิติโยิวาชันตสัพพโรโควินัสตมาเตทวตวันตารโยสุขีทีคโกภะอภิวาทนสีดิสหิจังุทธาปจายโนจตารโธมมาวทานติอายุวันโยสุขังภลัง ก็ดีนะเกิดขอให้ทำไปเรื uh ่อยๆันมากทำน้อยก็ขอให้ได้ทำเราจะได้ไม่ไม่เสียเวลาที่ได้มาเกิดนะเพราะเวลามาแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มา